ถ้าเกิดม um, enfin ีปัญหาอะไรก็สอบถามกันนะครับขอโอกาสกลับไนถามก็อนิดนึงครับคือวันก่อนพ่อได้บรรยายว่าเราเกิดมาหลายภพชาติเราเป็นมาแทบทุกอย่างแล้วแต่สิ่งที่เรายังไม่เป็นก็คือทริยเจ้าทีนี้ก็มีทริยเจ้าขั้นพระสดาบาลกับพระสกิณาคามที่ต้องมาเจิดจิ๋นนี้ก็เลยอยากทราบว่า ถ้าเป็นพระอารียาแล้วเนี่ยถ้ามาเกิดอีกจะมีลักษณะพิเศษอะไรยังไงหรือเปล่าทําไมพวกเราโดยหลักการนะครับไม่ใช่ว่าพวกเราเป็นแต่ว่าทำไมโดยหลักการแล้วพวกเราจรึงไม่อยู่ในฐานที่เคยเป็นอารียามา่ก่อนรู้สึกท่านถามปัญหาได้ดีนะวางวังแล้วเออเวรยังเข้าใจคิดนนะครับคือเกี่ยวในเรื่องของการว่าในสังสารวัตนี่นะครับนับพบนับชาติไม่ท่วนเนี่ย ในชั้นของคาสอนแล้วก็ในสัพพัญญาสัพยุตยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พูดด้วยชัดเจนเลยว่าสิ่งที่เราไม่เคยเป็นนะถ้าเกี่ยวกันในเรื่องของในสังสารวัสเนี่ยที่ไม่เคยเป็ น, นไม่มียกเว้นหนึ่งไม่เคยเป็นพระโสดาบันไม่เคยเป็นพระสกาทานาคาเป็นพระรหาร์ประเด็นมันก็มีอยู่ว่าที่พระท่านถามเมื่อสักครู่นี้ที่ถามว่าเออมีบุคคลสองยพวก คือหพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยจะเกิดอีกไม่เกินเจชาติยกเว้นวัตตะพิรตะโสดาบันฉะนั้นที่บอกว่าในบทรัตนสูตรที่เราสวดกันก็ที่บอกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่มีพบที่แปดขออภัย พ, พระโสดาบันจะไม่มีพบที่8ก็แปลว่าพระพรโสดาบันเนี่ยมีโอกาสจะเกิดอีกเจดชาติไม่เกินเจด ที่ท่านแยกพระโสดาบันเป็นสามยงพวกมีโกรังโกละสัตตะขัดตกปรมัยแล้วก็เอกับพชีใช่ไหมถ้าเอกับพีชีเนี่ยเป็นพระโสดาบันที่มากไปด้วยอินทรีย์คือศรัทธาแก่กล้าวิริยะสติสมาธิปัญญาเนแก่กล้ามากฉะนั้นท่านจะเกิดอีกชาติเดียวท่านก็เป็นกระทําตนเองให้เป็นพระสกาทาคาพระนาคาเป็นพระทหารแล้วก็บริญิาผานเลยแต่ถ้าเป็นโกรังโกละก็เกิดประมาณไม่เกิน3มชาติอย่างนี้เป็นต้น แต่ถ้าเป็นสัตว์ตักขตูประมะก็คือไม่เกินเจอย่างเงี้ยนะฉะนั้นถ้าถามบอกว่าพร ะ, ส, ะส่วนพระสะกาทาคาในคำว่าสกิงสะกะนี่แปลว่าจะกลับมาในโลกนี้อีกครั้งหนึง่งว่างั้นเถอะสรุปแล้วก็คือพระโสะดาบันเนี่ยหรือพระสะกาทาคาเนี่ยที่ยังเป็นไปในการมาภูมิถามว่าถ้ากลับมาแล้วจะมีสาสนานัะสถานะที่พิเศษไหมมีมีมยังไงหนึ่งพระโสะดาบันจะไม่ทําปาณาติบาต แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นท่านเกิดมาปุ๊บเนี่ยสมมติมาเป็นมนุษย์นะถ้าทำเจนพระโสดาบันเนี่ยแปลว่าหนึ่งยุงหนึ่งตัวกับชีวิตของท่านเนี่ยถ้าถามบอกว่าเนี่ยยุงที่หนึ่งตัวกําลังเดินเดินหรือกําลัลลกกลางตายไวเนี่ยถ้าบอกท่านบอกอาช่วยตอบยุงตัวนี้หน่อยสิแต่ถ้าไม่ตอบยุงเนี่ยเราจะฆ่าท่านนะเราจะตัดศีษาท่านนะเนี่ยเขาเขาไม่ยอมไม่้จะไปทุศระยุงไม่ตัวนั้น นี่ลีลักษณะพิเศษของพระสวสดาบันจะไม่ทําผิดกุศลกรรมบทนะจะไม่ผิดศีลห้าจะไม่ไม่ผิดกุศลกรรมบทที่จะเป็นเหตุแห่งการลงอบายภูมิไม่มีเพราะท่านปิดอบายภูมิคือพระสวสดาบัลเนี่ยท่านเป็นอ ป, ปายาคามานิยะก็คือคือท่านจะไม่ลงอบายภูมิแล้วแปลว่าราคาเกี่ยวกับหนึ่งทิฏฐิคือความเห็นผิดนี่ขาดสะบั้นในกระแสจิตท่านนะครับ คือปกติเนี่ยทิศทีเนี่ยมันมีขยายไว้ในพรหมชาสูตรอ่ะหกชนิดฉะนั้นพรผสดาบันจะไม่มีความเห็นผิดแล้วฉะนั้นถูกมักโสดาปริมาณประหารได้อย่างเด็ดขาดสองโสมดาบันก็ประหารวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาคือความรังเลสงสัยในคุณของพระรัณาตรายัยฉะนั้นลักษณะพิเศษของพระโสดาบันก็คือว่าจักไม่มีาศาสดาอื่นก็แปลว่าจะไม่นับถือสาระอื่น จะมีพุทธังส น, นังขะฉามีธรรมังส น, นังขะฉามีสังฆังส น, นังขะฉามีเท่านั้นฉะนั้นจักไม่ถือสาระอื่นอย่างเด็ดขาดนี่นี่นี่ลักษณะพิเศษของพระโสะดาบันและพระโสะดาบันก็คือไม่มีข้อปฏิบัติที่ผิดที่เป็นศีลปฏิบตปรามาตนะครับจะไม่มีข้อปฏิบัติที่ผิดอันนี้เป็นลักษณะพิเศษแม้จะตายเวียนเหมือนจะกลับมาเกิดอีกก็จะมีลักษณะอันนี้บ่งบอกความพิเศษของความเป็นพระโสะดาบันส่วนภระสกทาคานั้นไม่ต้องพูดถึง ท่านประหารราคะโทสะโมหะที่หยับหยบได้แล้วนีที่หยับหยาบได้แล้ ว, ลวถ้าตอบเลยไปเลยก็คือถ้าพระนาคามีบุคคลก็ไม่กลับลงมาในกามาภูมิอีกเออผ้านาคาเนี่ยมันยกตัวอย่างเช่นนะถึงแม้ว่าถ้าท่านตายแบบปัจจุบันนะทันด่วนยกตัวอย่างเช่นท่านปุกปูสาติอ่ะท่านไปแสวงหาผ้าเดินไปเดินไปเดินไปก็ไปเจอไม่อัว ฝิดท่านล้มตายลงในกองอยากเยื่อกองขยะแต่ว่าจุดติคือท่านตายปฏิสนธิท่านไปเกิดในพรหมโลกเลยพอไปอุบัติเกิดขึ้นมาปุ๊บท่านก็ไปเจริญวิปัสนาญาณต่อเลยครับท่านได้เป็นผ้าอรหันต์เลยอะแล้วต่อมาพระเจ้าพิมพิสารก็เอ้าได้ทราบข่าวว่าสหายของตนเองเนี่ยมาในแดนตนเองว่างั้น ก็ให้คนไปตามหาว่าไปเห็นนอนตายกองขยะด้วยตายหน้าอนาถนะถ้ามองอย่างนี้ยแต่ที่ไหนได้ท่านเป็นผ้าอาหารแล้วก็เลยเอาศพของท่านมามาที่เชิงตะกอนแล้วก็เก็บอธิธาตุทานท่านเป็นที่สการะบูชาไปนี่แปลว่าหนึ่งท่านตายเป็นพผ้านาคามีจริงแต่จุดติปฏิทินที่ท่านก็ไปทำอาหารอารหารนั้นในในพรหมภูมิหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นที่สดจริงจริงตอนนี้ก็แปลว่าท่านเป็นผ้าอาหารเห็นไหมในกรณีอย่างเนี้ฉะนั้น พระสดาบันไม่น่าเป็นห่วงแล้วที่เป็นห่วงคือพวกเราจริงๆว่าเนี่ยพระสดาบันไม่น่าเป็นห่วงเออตรงนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ที่ที่มีอะไรก็อ้อาขอขอไม้หนะึะะ่งขออนาตก็พอดีติดใจจากาาพระช้างครับที่พระอาจารย์เล่าเรื่องพระเตมีที่ ยอมเป็นใไบเพราะระลึกชาติว่าชาติที่แล้วเคยเกิดเป็นกระสัแล้วก็สั่งลงโทษแล้วเป็นตกนรกอยากจะถามอาจารย์ว่าผู้ที่ได้รับคําพยากรณ์ว่าจะเป็นพระเจ้าแล้วยังตกนรกได้หรือครับอ๋อคืออย่างนี้บุคคลที่บุคคลที่เป็นเป็นนิยตตาโพธิสัตว์นะครับจะมีสถานภาพที่ไม่ไปเกิดสิบแปดอย่างนะสิบแปดสิบแปดอย่างคืออย่างนี้ คือคือกรณีของความเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยถ้าถามว่าเอ๊ยยังมีโอกาสไปเกิดเป็นสัตว์นรกไหมบอกมีนียังมีตกนรกได้ไหมคือพระโพธิสัตว์จะไม่ไปเกิดเป็นพวกตะกูลพวกคนใบ้คนบ้าทั้งหลายเดี๋ยวดูดูนิดนึงนะฐานหาสิบแประการเนี่ย อ, อ, อภพฐานะก็คือหนึ่งเนยต่พระโพธิสัตว์เนี่ ย, ยจำเดิมแต่ได้ อัตถาธรรมะสโมทานบริบูรณ์แล้วเนี่ยย่อมไม่เป็นคนบอดนะไม่เป็นคนบอดมาแต่กาเนิดนี่นิประการที่หนึ่งไม่เป็นคนหนวกคือก็หูหนวกอ่ะจะไม่ไม่เป็นสถานะคือเกิดมาหูจะไม่หนวกไม่เป็นคนบ้านะครับไม่เป็นคนบ้าและไม่เป็นคนใบ้ไม่เป็นคนแคะตัวเล็กๆเนี่ยไม่มีนะถ้ารับพยากรณ์แล้วแล้วก็ไม่เกิดในชาติมิรขะเช่นเป็นพวกคนป่าคนเถื่อนเป็นพวกอินเดียนแดงอย่างเงี้ยไม่เป็น หรือเนี่ยหนิหรือไม่เกิดเป็นในท้องของทาสีไม่เกิดแล้วไม่เกิดในท้องทาสีไม่เป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิกลุ่มสประการนะพวกนิยตามิจฉาทิฏฐิก็คือพวกอหตุกาดทิฏฐินักติกาทิฏฐิอักกิยาทิฏฐิเงี้กยก็คืออหตุกาดทิฏฐิก็คือปฏิเสธเหตุอกริยาทิฏฐิก็คือปฏิเสธการกระทํา แล้วก็นาทิกาทิฐิก็คือปฏิเส ธ, ธเรื่องบาปบุญเรื่องคุณของพ่อแม่เป็นต้นแล้วเพศของพระองค์ก็ไม่กลับมาเป็นสตรีอีกแล้วนะคือแปลว่าได้รับพุทธภยากรแล้วจะไม่มาเกิดเป็นผู้หญิงไม่ทําอนันตเริยกรรมห้านั้นคนที่ได้รับพยากร์แล้วเนี่ยจะไม่ทมาํามาตุคาสจะไม่ทําปีาตุคาตจะไม่ทําอาฐันตาคาตจะไม่ทําโลหิตตับ า, บาทและไม่ทําสังฆเพศตรงนี้แหละที่น่าขนลุกขนพองข้าพเจาเราเนี่ยไม่ได้รับพยาบาลกรใช่ไหมครับ มีโอกาสทําอนันติเยกรรมไหมมีไม่มีมม <S 2> <S 2> เออเนี่ยตรงนี้แหละไม่เป็นคนโรคเรื้อนนะครับไม่เกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานที่มีอัตภาพนะคือถ้าเกิดก็เกิดในอัตภาพปานกลางไม่ใหญ่กว่าช้างแล้วก็ไม่เล็กกว่านกกระจอกเห็นไหมเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ไหมได้นี่ไงพวกอวัตวส์พระโพธิสัตว์สามารถเกิดเป็นอวัตวส์ได้แต่จะไม่ไม่เล็กกว่านกกระจอกแต่ไม่ใหญ่กว่าช้างไม่ใหญ่กว่าช้าง อะไรที่ใหญ่กว่าช้างปะวานใหญ่กว่านะใช่แล้วมันมีปลาปลาที่ใหญ่กว่าปะวานก็มีนะครับนะมันมีนะไม่ใช่ไม่มีนะอย่างเงี้ยนะและก็แล้วก็ไม่เกิดในขุบ ป, ปาสิกาเปรตนะพวกขบปลาสิกาเปรตหรือนิชามมารตันหิกะเปรตเนะี่ยหรือไม่เกิดในพวกกาลันชิ ก, กาสูนพวกอสูนทั้งหลายและก็ไม่เกิดในโอเวจีมหานรกนอกนั้นเกิดนะครับ บรรดาเปรตเนี่ยมีตั้งไม่รู้กี่จําพวกยี่สิบกว่าจําพวกนะไม่เกิดแค่สามจำพวกเลยสามจำพวกทําไมถึงไม่เกิดขุปปาสิกาเปรตก็ดีนิชา ม, มาตันิกเปรตก็ดึกทําไมไม่เกิดพวกนี้พวกนี้เรารับผลบุญลำบากแต่โดยสะดวกแหมแทบไม่ได้เลยว่างั้นเถอะปากเท่ารูเข็มเงี้ยนะนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยท่านจะไม่เกิดเป็นเปรตตระกูลนี้แต่ตระกูลอื่นยังเป็นอยู่ท่านคิดดูอันนี้คือความน่ากลัวงสังสารวัตและคนความกล้าของท่านนะครับ นี่พระมหากรุณาธิคุณนะรู้ทั้งรู้ะว่าอดพลาดไม่ได้หรอกการเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยครับแต่ความที่ต้องการจะขนสัตว์หรือสัตว์นี่แหละนี่คือพระมหากรุณาธิคุณนะต้องการอยากจะช่วยพวกเราเนี่ยยอมทุกทรมานแทนพวกเราอย่างนั้นเถอะยอมไปทรมานแทนพวกเราเพื่อจะช่วยเราให้พ้นจากสังสารวัตเนี่ยนี่เแล้วไม่เกิดพวกกาและชิกาศูนย์ไม่เกิดในเอเวจีครับคือเอเวจีมันลงแล้วมันมั น, ม, นมันยุ่งมันจะเลยอสงไขยไปก็ยุ่งเลยแต่เนี้ยนะ จะไม่ทําบาปหนักๆไม่เกิดในโลกานตริยานโลกสัตว์นรกประเภทนี้มีความยาวของอัตภาพแม่สามคาวุธครับ3ขาวุฒก็หนึ่งคาวุฒก็4ี่กิโลเมตรนะท่านสาขาวุฒก็12กิโลเมตรพวกนี้ก็เกาะขอบจักรวาลเลยครับไม่มีตาหรอกหนาวเย็นละเยือกทเที่ยวเกาะเกาะเล็บก็ยาวเนี่ยนะเดินเกาะไปเกาะไปจับอะไรเจอจกันจับกันกินนะเนี่ยตกลงไปในน้ํากรดอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็ไม่เป็นมารในสวรรค์ชั้นกลางเพอจร น, นี่สําคัญมากไม่เป็นพญามารดังนั้นเธอไม่เป็นมารถรับพยากรแล้วและในรูปปวอจรทั้งหลายก็ไม่เกิดในอสัญญาตัตพภไม่ไปเกิดแล้วเพราะในอสัญญาตัตพภมีขันเดียวใช่ไหมอสัญญาสัตตพลมอ่ะเขาเรียกว่าอสัญญาสัตตพลมพวกนี้มีรูปขันอย่างเดียวอ่ะที่เรียกพลมลูกฟักมีอายุห้าเท่าไรนะห้าร้อยมหากรั ห้ามหากราบก็เท่ากับ เ, ออเข้ากไปโลกแตกดับไปห้าร้อยใบครับโลกแตกดับไป500ร้อยใบมันเสียเวลาเจริญบารมีนัเนี่ยนั้นท่านจึงไม่ไปเกิดไม่ไปเกิดเป็นพวกอสัญญาสัตว ภ, ภูมินะไม่เกิดเป็นอสัญญาสัตว ภ, ภูมิและไม่เกิดในพพสุทาวาสทาไมท่าไม่ไปเกิดในสุทาวาสพรมเนี่ยเป็นที่อยู่ของพระนาคา ฉะนั้นท่านไม่ไปได้อยู่แล้วและไม่เกิดในรูปภพในรูปภพในอากาสารนัญจาเยตนาภูมิไม่ไปวิญญาณัญจาเยตนาภูมิก็ไม่ไปอากินจัญญาเยตนาภูมิก็ไม่ไปและเนวสัญญานาสัญญาเยตนาภูมิก็ไม่ไปทําไมจึงไม่ไปเพราะไม่มีรูปขันและสําคัญที่สุดก็คือไม่ไปเกิดในจักรวาลอื่นนะไม่ไปจักรวาลอื่นอันนี้น่ากลัวนะคนที่น่าขนพองสยองก้าเนี่ย พวกเราเนี่ยไม่รับพยากรมีโอกาสหลุดจากจักรวาลนี้ไปสู่จักรวาลอื่นได้นี่นี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นสรุปแล้วว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยหลังจากได้รับพยากรแล้วเนี่ยเป็นอรายสัตว์ได้แต่บางยมพวกแต่ไม่เป็นดังที่ได้กล่าวเนี่ยไม่สิบหกประการเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม่เกิดเกิดสิบแปดนะฐานะสิบปดประการอันนี้มนต่อมีใครถามอะไรไหมครับแค่ผู้ออนุญาต เมื่อพูดถึงพระโพธิสัตว์แล้วเนี่ยนะหรือปัจจุบันเนี้ยเราเราปัจจุบันนี้นะครับว่าพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นผู้หญิงที่เราควรจะทราบกันแค่ๆเนี่ยอยากจะทรบาบว่าในตามความเชื่ออย่างนี้ซึ่งซึ่งจะขัดกับหลักในความเชื่อหรือการที่เราศึกษารเรเียนมาหรือไม่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี้ยโพธิสัตว์เกี่ยวกับผู้หญิงบางเรื่ับประเทศไทยเรา อจยกตัวอยา <ๆ S 2> า่างหน่อยเช่นเช่นอย่างสมมติแม่คนอิมจะแม่ริดอนเดียวอะไรพวกนี้รัดกันกับกับหลักที่เราได้ศึกษาโีเออตรงนี้ตรงนี้ก็เราในเชิงการศึกษาก็ต้องมองให้ภาพให้ชัดนะ อ, อ่ผมวิคอยฟังอย่างนี้ก็แล้วกันว่าแล้วอินเดียเราเนี่ยนะตอนที่ผู้พระผู้มีภาคเจ้าบัตรเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับ พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาก็ประกาศคําสอนนะครับเมื่อประกาศคำสอนเบ็เสร็จเนี่ยในยกที่พระบรมศาสดานี่ศาสนาคําสอนพระเจ้ารุ่งเรืองเนี่ยแม้เท้ามหาพรหมเองก็มารับจํานมตนเองว่าแท้จริงตนเองก็เป็นสาวกของพุทธเจ้าดังที่กล่าวแล้วก็ตนเองไม่ได้เป็นผู้สร้างฉะนั้นศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์นี่ก็ยุบตัวลงนะครับถ้าบูดไปก็คือหมดอํานาจเนี่ยพลังอํานาจในการสอนสิ่งที่ผิดๆนั้นก็ร่อยหลอลงคนก็ไม่นับถือ พุทธศาสนาก็เด่นมากนะครับในยุคที่พระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาที่นี้พอหลังพุทธบุรีผพานมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นชัดในสังคายนาครั้งที่1อันนั้นก็เริ่มก่อวอดมาจากสุภัททาวุฒบันบัญชิตแล้วก็รู้อยู่ว่าเริ่มมีคนจ่วงจ่าก็ในนี้แหละในศาสนาของพิชญเจ้าของเรานี่แหละครับนะครับที่นี้พอพอต่อมาตามลําดับพอมาร้อยร้ปีต่อมาก็สังคายนาครั้งที่สองนี่พยาศกาการถบุตรใช่ไหม เออถ้าเมองเห็นตรงนี้ก็เริ่มและเริ่มมีการแปลกแยกออกมาในเรื่องการในเรื่องของพระธรรมวินยัยคนที่ก็เริ่มในกรณกีเริ่มใจเห็นต่างออกไปเบีเสดส์เริในสังยขยาครั้งที่สามเป็นต้นนี้เป็นไปตามลําดับทีนี้พอการาศาสนาผ่านไปเนี่ยโดยเฉพาะก็คือกลุ่มมหายานก็เริ่มเกิดขึ้นเออขออภัยในกลุ่มก็กลุ่ ม, มที่จริงของเราที่เรียกว่าเถระวาเถระวาท์เนี่ยจริงๆเราไม่ได้เรียกตัวเราเองมาก่อนนะเราไม่เรียกตัวเร า, าเองก่อนหรอก แต่กลุ่มมหายานณพาก็แปลกออกไปมาเขาก็มาเรียกเราใช่ไหมใหม่ๆจริงๆเรียกเราหิ น, นยานยนี่ซ้ำไปไ ป, ไปมาเรากลัวจะฟื้นตัวขึ้นมาเราเอ้ยไม่ยอมรับดีกว่าหิ น, นยานนี่รู้สึกว่ามันญาณที่ต่ําต้อยอย่างนี้นะญาณที่เลวก็ได้จะแปลงงั้นก็ได้เราก็ไม่ชอบใจศัพท์นี้ไปไปมาๆก็มาเรียกว่าเถราวะเถราวาทะใช่ไหม เอ อ, เ, อ, อ, เ, อ, อเราก็เรียกของเราเนี้ยว่างันเด้อจริงๆริ ง, รงมาไปไมาเราก็ยอมรับว่าเราเป็นเถรวาตก็ว่าไปแต่จริงๆก็คือตัวเราเองที่แรกจริงๆเราไม่ได้เรียกตัวเราเองนั่นหรอกแต่ทีนี้เรามาดูว่าเออทาไมจึงเกิดมหายานนกรณีการเกิดมหายานเนี่ยในทัศนคของมหายานเขาก็มองไงเขามองพอระยะหลังเนี่ยเกี่ยวนี้เรื่องของศาสนาพราหมณ์ก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้ว าจากการขายพระพรหมไม่ไปไม่รอดก็เริ่มมาเรื่องพระศิวะบางอีงพระนารายวาวันไปเยอะะพระนะพพศิวะบางไปไปมาก็มีมีลักษณะของการแตกขแขนงในการที่จะเอาตัวโชว์ขึ้นมาเล่นกันเยอะไปไปมามหายานก็แข่งนะให้มหายานเริ่มแข่งนะมีมีลักษณะแห่งพระโพธิสัตว์มาเยอะเลยกลุ่มมหายานนะมีพระเอาเอาโรติเกสวนบ้างไปจนถึงกุฎอิม กวนอิมเนี่ยเกิดที่อินเดียนะครับมีสองภาคที่เดิมทีเดียว เ, เลยเนะี่ยชายกวนอิมกับเจ้าแม่กวนอิมนะครับแต่จริงๆนะ่ยชายกวนอิมเนี่ยจุดไม่ติดพอไปที่จีนเสร็จเนี่ยนะไปติดเจ้าแม่กวนอิมใช่ไหมเออมาอย่างไงคติมาอย่างไงก็มองให้ขาด เ, าเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็ถูกขยายไปจากจีนแผ่นดินใหญ่ก็ไปเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ไปญี่ปุ่นไปทางกลุ่มทางนี้ไป ไปไปมาก็ย้อนกลับมานียมามาเข้าสู่ประเทศไทยก็คือะระบบเจ้าแม่กวนอิมถ้าถามมหายาณเนี่ยเขาแข่งอะไรเขาแข่ง ก, ก, กันกับพวกกลุ่มศาสนาพราหมณ์เพราะศาสนาพราหมณ์ก็มีตัวเลือกตัวโชว์โดยเฉพาะในยกของสังฆราชานเราจะเห็นชัดที่พยายามจะกืนศาสนาพุทธพยายามจะเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยตรงนั้นก็ไปดูดูในเรื่องของพระศาสนาฉะนั้นสิ่งต่างๆ่างเหล่านี้ถ้ายกตัวอย่างในปัจจุบันนี้นะยกอะไรดีจะเห็นได้ชัดนะครับยกพักเครื่องครับ เออสร้างรุ่นนี้เราก็สร้างรุ่นนี้ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาเนี่ยไม่ต ไ, ไม่ต่างกันนในกรณีแบบนี้นะครับก็คือวัตถุประสงค์จริงๆของของกลุ่มมหายานเขาต้องการอะไรเนี่ยก็คือต้องการดึงศาสนกดึงศาสนิเข้สาไว้ Hawaii, ว่างั้นเด้อเพราะคนไม่ค่อยอยากจะศึกษาชั้นคันสอนกันแล้วเอาเอาเอ า, เอารูปตัวโชว์เอาสิ่งต่างๆเลยนี้เป็นรูปลักษณ์ในการโชว์ขึ้นมาฉะนั้นก็เรียกว่าเจ้าแม่กวดอิมพระโพธิสัตว์บ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไป เออนี่ถ้าเรารู้อย่างนี้เสียก็ก็จะได้รู้ความเป็นมาในฐานะพระธรรมทูตเอออ่านสถานการณ์สถานการณ์วงการของบ้านเมืองก็ดีของศา ส, สนาก็ดีให้ขาดแล้วเราจะได้มองเห็นว่าโอ้มันเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ก็เข้ามาสู่ประเด็นปัญห า, ป, ญหาปัญหาที่บอกว่าเอาแล้วว่าเออผู้หญิงเป็นพระบริษัท์ได้ไหมเป็นได้เป็นได้ในฐานะเป็นอนิจจตาได้คือยังไม่ได้รับพยากรณ์ ถ้าเป็นผู้หญิงสามารถจะบําเพ็ญบา ร, รมีเพื่อจะเป็นปฏิปทาเหมือนจริยาวัดเหมือนพระบริษัตวได้ใช้คําว่าเหมือนได้นะแต่ถ้าถามว่าอัทธสโมโธทาร์แปดประการบริบูรณ์มั้ยยังยังไม่บริบูรณ์หรอกเพราะความที่จะได้รับพยากรได้นะ่าต้องอะไรเนี่ยหนึ่งต้องเป็นต้องเป็นมนุษย์ใช่ไหมแล้วต้องมีเพศเป็นบุรุษด้วยมนุษย์สตตังลิงกสัมปติอ่ะเห็นไหมในข้อแรกมนุษย์สตังลิงกสัมปติเหตูสัทธารัตฐานนัง ปรับพัชชาคุณสัมปติอธิกาโรเจฉันทตาอัต ธ, ธรรมสโมโอธานาอภิณีหาโรสมิชติที่บอกว่าอภิธิหารย่อมสําเร็จแก่การประชุมพร้อมเหงิธรรมมาแประการก็1ความเป็นมนุษย์ใช่ไหมสอถึงพร้อมได้เพศถึงพร้อมได้เพศในที่นั้นต้องเพศบุรุษว่า ง, งาั้นฉะนั้นจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมเป็นผู้หญิงก็ต้องถ้าคุณจะเป็นนะต้องบอกเขาอย่างงั้นก็เป็นได้แค่อนิยตาโพธิสัตว์ ไม่สามารถเป็นนิยตตาพธิษัตว์เพราะยังยั ง, ย, งยังรับพยากรไม่ได้ว่างั้นแล้วก็ถึงพร้อมได้เหตุในรายละเอียดดังที่ได้อธิบายมาเนี่ยแหละเห็นพระบรมศาสดาบราบรพชามีคุณสมบัติเพียงพออธิการะก็คือมีฉันก็แปลว่าฉันตตาในที่นั้นก็คือว่ากล้าที่จะถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ดาด้เป็นตน้นนั้นตรงนี้ก็สอบตอบสองประเด็นหนึ่งการอุบัติเกิดขึ้นของเจ้าแม่กวนอิมมาอย่างไรมาจากการที่ว่า สร้างขึ้นมานะ จ, จุดประกายขายขึ้นมาจริงๆจุดมาสององไม่ติดชายกนอิมไม่ติดติดเจ้าแม่กว่านิมเพราะชบองเห็นนะครับก็ดีได้ประเด็นปัญหาทั้งหมดเหล่านี้ก็คืออยู่ว่าเออถ้ารู้เหตุรู้ผลนะอันนี้หมดต่อ เรวขอรนยญาตคถามบางจ่าหครับ <Okay. S 2> พอดีได้ฟังเรื่องนี้ก็นึกมาได้อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับที่ในประเทศไทยครับมีคนสร้างรูปเคารพของพระเสียเรียนเมตตาซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปที่ยังไมาตัดสูตรครับอืคือการสร้างแบบนี้ทั้งที่ตอนนี้ท่านยังบำเพ็ญอยู่ตัวจริงทึ้ไหนก็ไม่รู้และยังไม่ได้ตัดสู้เนี่ยการสร้างรูปเคารพขึ้นมาจะมีอานิสงส์หรือว่า มีเรีก่าการกราบไหว้บูชาหรือคารพเนี่ยจะได้บุญเหมือนบูชาพระรูปพระเจ้าเราหรือไม่ขอฟังครับพี่พ่ออาจารย์ตรงนี้เออการไอ้ตรงนี้ก็เริ่มเริ่ ม, มแพร่หลายจริงจริเกี่ยวนี้เรื่องของพระเสีเรียมไม่ตาพระเมตตยยะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าที่ยังมาตรัสในอนาคตนะครับเออถ้าถามว่าตอนนี้ท่านท่านอยู่ที่ไหนก็อยู่พบดุสิทธิ์ก็รอาการตรัสรู้ในอนาคตนะครับ ถ้าถามบอกว่าเออถ้าจะสร้างรูปของท่านเนี่ยเพื่อจะเป็นที่สักการะและเคารพเนี่ยบอกว่าจะได้บุญไหมก็ได้ครับเรื่องบุญอันนั้นเพราะท่านบ่มเป็นบารมีมาค่อนข้างเยอะฉะนั้นจริยาวัดของท่านระลึกถึงท่านแต่ประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยประเด็นของกลุ่มของผู้สร้างเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์สองสถานการณ์นะครับสถานการณ์แรกจริงๆก็คือว่าเออตอนนี้มีความจําเป็นหรื อ, อยังในระหว่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการาศาสนาของพระชิฐเจ้ายังอยู่อย่างเงี้ย แล้วตอนนี้เป็นการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหวังงั้นเถอะแทนที่เราจะมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งพระวินัยปีดอกก็ยังไม่ขาดเลยแม้แต่น้อยหวังงั้นเถอะยังมีครบบริบูรณ์ส1 0 0 0พระธรรมอขันพระสุตตันตปิดกก่อนหนึ่งสองหมืพันพระธรรมอขันก็ยังไม่บริบูรณ์ก็ยังบริบูรณ์อยู่แม้พระวิธรรมปีดกก็ 42% ่หมพันพระธรรมอขันสรุปก็ยังบริบูรณ์อยู่พระไตรปีดอกแปดรมัซึ่งเป็นธสี่พันพระ เป็นปริยัติศาสนาที่ชี้แนวแห่งโลคุตระธรรมซึ่งเป็นตัวแผนที่เป็นตัวรายแทงที่จะชี้โลคุตระธรรมได้เมื่อมาศึกษาให้ถูกต้องตามระบบตามลาดับและปฏิบัติตามการที่เราศึกษาและปฏิพัติปฏิบัติตามลาดับเนี่ยเราก็จะแทงตลอดโลคุตระธรรมได้ได้อย่างแท้จริงแทนที่เราจะมัวมาเสียเวลาในการที่จะมาโปรโมทนะนะมาโปรโมท พระเสีเี้ยไม่ตาในช่วงนี้ซึ่งซึ่งยังไม่เที่ถึงเวลาที่ซ้าไปเนี่ยก็ต้องบอกเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยแทนที่เราจะมาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจะดีกว่าไหมหว่า ง, งั้นเธอและอย่างหนึ่งหน้าที่ในการโปรโมตในกรณีการที่พุทธเจ้าจะมาตัดสู้ไม่ใช่หน้าที่ของยุคนี้เขาจะมียกของท่านอยู่แล้วใช่ไหมยกของท่านว่าอีกกี่ปีพุทธเจ้าจะมาตัดสู้่โกลาหนน่ยพุทธะกลาหนมีอยู่ ใช่ไหมมีกัปปะโกลาหลุนพุทธะโกลาหลุนโมเนยะโกลาหลุนจักรวรติโกลาหลุนแล้วก็มังคระโกลาหลุนโกลาหลุนหประการนี่มีอยู่แล้วอันนั้นเป็นหน้าที่ของเทวดาเป็นโคศกทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์มาบอกกล่าวมาประชาสัมพันธ์บอกว่าพุทธเจ้าจะมาตัดสรุปเมื่อไหร่เมื่อไหร่หรฉะนั้นยังไม่มีความจําเป็นว่างานแต่ไม่ใช่จะไปปฏิเสธนะว่าภาษีย่อมไม่ไตไม่มีคุณมีแต่ทําไมคุณละเลยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้เล่าต้องถามเกองงา น, น ทำไมไปล่าเลยเสียาการนี้ก็เป็นการาศาสนาของพระชินเจ้าแล้วคุณก็ยังมีลมหายใจอยู่ลมหายใจคุณก็ยังไม่ขาดแล้วโอกาสในการจะประพฤติปฏิบัติและศึกษาคําสอนพระทธเจ้าดีกว่าไหมที่จะมามัวที่จะมาตั้นลบเคารพภาษียาเม็ดตายขึ้นมาก็ทําให้คนสับสนด้วยว่าโอ้เนี่ยตอนนี้พระทีเจ้าองค์ปัจจุบันก็ยังไม่ชัดเจนก็ยังเพี้ยบมามาโปรโมทภาษียาเม็ดตายขึ้นมาอีก ทั้งๆพุทธิยาองค์ปัจจุบันนี้เราก็ฟัน่นเฟือนเรือนเลอๆ ก, กันมาเยอะหมายของคนค น, คนที่มาศึกษาก็ไม่ค่อยรู้ชัดเจนในหลักธรรมคาสอนแล้วก็ปฏิบัติกันก็เพี้ยนเพียนกันก็เยอะอยู่แล้วว่างั้นก็ช่วยกันพูดประเด็นตรงนี้ก็ชี้แจงให้เขาเข้าใจเพราะจริงๆแล้วหน้าที่ประชาสัมพันธ์เนี่ยมีอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องห่วงในกรณีเวลาอีกพันปีพุทธิย่าจะมาตัดสู้เนี่ยแม้มีโคศกประชาสัมพันธ์บอกกล่าว มนุษย์เทวดาในหมื่นจักรวาลเขาตื่นเต้นกันมาไม่ต้องห่วงตรงนั้นว่างั้นเด้อเขาทำหน้าที่อย่างยกตัวอย่างเช่นตอนที่พระบรมศ า, ศาสดาของเราจะมาตัสรู้นุตราชสมาสัมพติญาณที่จะมาถือปฏิสนธิเนี่ย ท, ที่ที่รุมพินีวันเนี่ยมาเกิดหนะ้าที่ตรงนั้นที่มาถือปฏิญที่ในก า, ารของนางศริมหมามายานเนี่ยเทวดาในหมื่นจักรวาล น, นะไปราันานะว่างั้น ฉะนั้นตรงนี้ไม่มีความจําเป็นเลยซ้ําไปแต่ถามว่าเราจะศรัทธาในภาษาอียิปต์ไตเนี่ยจะได้บุญไม่ได้นะครับได้บุญจิตที่เลื่อมใสในปฏิบัติในข้อบิติของพระโพธิสัตว์ก็เป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกข์ได้นั้นยอมรับแต่ตอนเนี้ถ้าถามบอกว่าเออทำไมละเลยพระเจ้าองค์นี้ทําไมคุณละเลยว่า ง, งั้นก็เอาคําของภาษาลีบุตรตอนที่ภาษาลีบุตรจะไปปรินิพานเนี่ยตอนนั้นภาษาลิบุตรไปราพทธเจ้าใช่ไหมครับ พระพุทธเจ้าก็โดยสำนวนก็คือไปไหว้ครูครับไปไหว้ครูก็คือกราบไปไหว้พระุทธเจ้าเพื่อจะกราบราเพราะตอนเองอีก7วันจะบริณิพานใช่ไหมจะนิพพานพระุทธเจ้าก็บอกดูก่อนสารีบทการเห็นภิกษุเช่นเธอเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากก็ให้ภาษาลีบุตรนั้นแสดงธรรมภาษาลีบตรก็แสดงธรรมแสดงอภิธิหารแสดงทั้งอิทธิปฏิหารฤทธิเป็นอัจฉ ร, ริย์ อาเทศนาปฏิหารก็คือดักใจบริษัท4เป็นอัศจรรย์ด้วยรู้วาราจิตมีราคะปรารถจาราคาเป็นต้นแล้วก็แสดงอนุสาสนีปฏิหารคือคําสอนเป็นอัศจรรย์ก็คือแสดงทั้งฤทธิ์ด้วยแล้วก็คํานวณจิตของสัตว์ทั้งหลายในขณะนั้นด้วยแล้วก็แสดงความมหัศจรรย์ของพระธรรมคําสอนที่ท่านได้รับจากพระพุทธเจ้าด้วยตอนที่ท่านแสดงตอนนั้นก็กราบพุทธเจ้าด้วยแสดงเขาเรียกว่าสีหาวิกรีริตาใน ในอากาศประดุจทางการเยื้องอย่างของราชสีฉะนั้นการแสดงธรรมในครั้งนั้นก็คือว่ามหัศจรรย์มากเพราะเป็นการแสดงครั้งสุดท้ายของภาษาริบุตรพอแสดงเสร็จปุ๊บเขาประชาชนพุทธบริษัททั้งหลายอ่ะก็พากันพากันตื่นเต้นมากแล้วก็ได้บรรลุธรรมก็มีนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรอวรที่ภาษาริบุตรนั้นจะปรินิพานธ์ภาษาริบุตรก็กราบพระพุทธเจ้าก็ทําประทักษิณเวียนขวานะครับแล้วก็เดินถอยหลัง พระริจาก็ยืนยืนในภาษาริบุตรเห็นน่ยนะแล้วก็ยืนถอยหลังนะครับประนมมือถอยวันทานรมรส ก, การพระริจ้าไม่ถอยไปอย่างเงี้ยนะครับจนจนลับสายตาเนะี่ยจึงจึ ง, จ, งจึงหันหลังก็เหมือนเวลาพวกเราไปไหว้พระเจดีย์อ่ะวัวไหว้เสร็จหรือไปไหว้ที่พระพุทธรูปเนี่ยไม่ใช่หันหันหลังให้ทันทีนะต้องมีการถอยถอยมา9้าหรือสองเกหรือสาเกแล้วให้กําหนดในใจใช่ไหมท่านมหา ให้กําหนดในใจบอกว่าเราพ้นสายพเนตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วให้ตํนึกให้ให้กําหนดในใจอย่างนี้นะจึงค่อยหันหลังอย่างนี้เป็นต้นนะว่างั้นเธอให้มนติการในใจว่าเราพ้นจากสายพเนจรของพระผู้มีภาคเจ้าแล้วก็หันหลังอย่างนี้เป็นต้นตอนนั้นน่ะเหล่าพุทธบริษัทภิกษุเป็นต้นเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ดูก่อนภิกษุทั้งหลายให้เธอไปส่งพี่ช า, ายของเธอเธอว่างั้น พระภิกษุก็ดีตลอดถึงอุบาสกบาสิกาทั้งหลายก็ดีก็พากันทิ้งพระบรมศาสดาว่างนั้นเธอปล่อยพระศาพระบรมศาสดาอยู่รูปเดียวแล้วก็พากันไปส่งภาษาลีบุตรเดินไปไม่ยอมหยุดจนภาษาลีบุตรบอกว่าท่านทั้งหลายส่งส่งข้าพเจ้าแค่นี้แหละว่างั้นเพราะการละเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่เป็นการสมควรเลยแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าเนี่ยตอนนี้พระบรมศาสดายังดำรงพระชนอยู่ ท่านอย่าห่างไกลจากพระพุทธเจ้านะการละเลยภาษาสดาไม่ดีเลยว่างั้นเธอสังขารทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้หรอกและอย่ไม่ต้องไปอะไรวอร์ว่างั้นเธอข้าพเจ้าจกไปสู่สู่อนุปาทานปรินิพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ข้าพเจ้าหวังมานานแล้วเนตรมรรอย่างนั้นนะที่ท่านหวังมานานแล้วคือท่านการปรินิพานของท่านก็คือการดับสนิทโดยไม่มีส่วนเหลือถ้ามองตรงนี้ก็อมามาเป็นข้อเปรียบเทียบใช่ไหม บอกกับท่านทั้งหลายทำไมละเลยเพระศาสดาไปมัวปั้นทําไมว่างั้นเด้อไม่ใช่ไม่ดีแต่ให้ถึงการท่านก่อนค่อยค่อยโปรโมทได้ไหมว่างั้นอันนี้เป็นการศาสนาพระชินพรเจ้าองค์ปัจจุบันนี้แทนที่เราจะมาเทิดทูลบูชาศึกษาปฏิบัติตามอย่างจริงๆจังๆว่างั้นด้วยความเคารพอย่างแท้จริงเป็นอาทระเนี่ยเคารพด้วยความแบบแท้จริงแบบเอื้อเฟื้อจริงๆว่างั้นเด้อไม่ได้เคารพแบบมีเงื่อนไขไม่ใช่เสแสร้งแกล้งไวาทำความเคารพว่างั้นเด้อ เคารพอย่างจริงจังทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนโกรรมเนี่ยอย่างแท้จริงแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนถ้าไม่พ้นทุกข์ในศาสนาของพระชินเจ้าองค์นี้ก็ค่อยว่าต่อกันใช่ไหมเราถ้าอย่างนี้จะดีกว่าเออนี่ก็ให้ข้อมูลไปแบบนี้ถ้าอย่างนี้ผมว่าจะเป็นประโยชน์นะีจะเป็นประโยชน์แก่แก่แก่บุคคลที่กําลังเพราะคนไม่รู้เยอะเพราะถูกโปรโมทอย่างนี้ก็ตั้งเป็นชมรมเป็นกลุ่มกันขึ้นมาจริงผมก็เจอเนี่ยผมก็เจ อ, ผ ม, เจอผมก็ยิ้มยๆ้เหมือนกัน ผมก็ไม่มีโอกาสเนี่ยดีถ้าถามปัญหานี่ก็ดีเหมือนกันนันตรงนี้ก็ช่วยกันในการจะกระจายข่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ยังอยู่ในการของท่านอยู่และเราก็เป็นสาวกของท่านอยู่ว่า ง, งั้นเถอะว่า ง, งั้นอย่าไปละเลยว่า ง, งั้นอย่าละเลยพระาศาสดานึกถึงภาษาลิบุตเ ร, งง ร, ร, เ, รเตือนพวกเราว่างั้นภาษาลิบุตรเป็นประดุจพี่ใหญ่อ่ะเตือนพวกเราว่าท่านทั้งหลายอย่าประมาทอย่าละเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ง, งั้นเนี่ยจงเข้าเฝ้าศึกษาปฏิบัติตามด้วยความจริงจังด้วยความเคารพอย่างแท้จริง อ่า น, นิมนต์ต่อขออนากได้ฟังทาอธิบายของอาจารย์แล้วก็ตื่นใจแต่ก็อดที่จะมีปัญหาบ้างเหมือนกั <laughs> คือการมาเปบารมีหรือว่าการทําบุญให้ทานกล่าวกันสมอต่อเสมอว่าการทำบุญให้ทานต้องไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตนเองแล้วก็พูด เลยเกิดความสงสัยขเขาไปสันดอนพระเจ้าสุดท้ายซึ่งให้กัญหาชาลีบริจาคซึ่งกัญหาชาลีก็ไม่พอใจนี้แม้แต่การที่จะให้พระนางมัตติก็เช่นเดียวกันแต่ตอนที่จะบริจาคกัญหาชาลีมีขั้นตอนมากคือต้องรอให้พนามัตติเข้าป่าเสียก่อน เหมือนว่ามีการวางแผนที่จะให้รูปังนี้เออแล้วก็อย่างพระโพี่สัตวที่บริจาคดวงตาเมื่อวานนี้ยอมที่จะทรมานตัวเองเป็นการเปลี่ยนเปลียนตัวเองหรือป้ะอ๋อไปถามดีกันเอ้ยผมนึกว่าท่านอาจารย์จะไม่มีคําถามแบบนี้เนี่ยพอฟังเออเป็นคําถามตอบยากนะพะญหยากไม่ยากเอออย่างนี้ก็แล้วกันนะหรืออย่างยิงตรงเนี้ยประเด็นตรงเนี้ยเป็นประเด็นที่ที่ควรถามนะครับ เหตุผลที่ควรถามก็เพราะว่าเป็นปัญหาคาใจของนักศึกษารุ่นก่อนๆแล้วก็แม่รุ่นปัจจุบันนี้ด้วยและผมเชื่อและเกินว่าปัญหานี้ก็ยังจะต้องติดใจชาวพุทธไปอีกยาวไกลและให้สังเกตดูนะว่าในบรรดาชาดกนะครับในบรรดาชาดกห้าร้อยห้าสิบชาติชาดกที่จะเสื่อมก่อนเพื่อนคือเวสันต์นนชาดกอทําไมนะครับ ท, ทําไมจึงจะเสื่อมก่อน ท, ทําไมถึงเสื่อมก่อนรู้ไหม พราะชาดกในเรื่องนี้เอามาเล่นกันเยอะเอามาเล่นเอามาแสดงสรุปก็คือว่าเป็นการค้าเยอะวางงั้นเถอะเป็นการค้าเยอะนะเข้านาเข้ายุคยุคปัจจุบันนี้เอาไปมีการไปร้องแล้วก็มีทั้งคณะดนตรีมาประกอบด้วยจริงไหมครับเนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยจะเสื่อมซึ่งเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นเรื่องที่ท่านคํานวณกันไว้เบ็ดเสร็จแล้วในคําสอนในพระไตรปิฎก ว่าในบรรดาชาดกในพระสุตันตะวีดกเนี่ยอะไรเสื่อมก่อนบอกชาดกเสื่อมก่อนในบรรดาชาดกเจดเสื่อมนั้นอะไรเสื่อมก่อนเวสันต์นชาดกเพราะเป็นชาดกที่ทิตติดตลาดว่า ง, งั้นเถอะในสังคมไทยเราเนี่ยถึงขนาดบอกว่าฟังชาดกเนี่ยได้ครบแล้วเบ็ดเสร็จแล้วจะได้ได้ไปสุขตินั่นแหละจะได้ไปพบสีพระสีเมตายอะไรก็ว่ากันไปนั้นเป็นจุดขายแต่ก็จริงจริ ง, รงแล้วก็เป็นกุศลเป็นสิ่งที่ถูกต้องนั่นแหละถ้ามองให้ดี แต่ถ้าถามว่าเออในกรณีที่ว่าพระเวสสันดรชาดกหรือการให้ทานเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีสองกรณีที่ท่านอาจารย์ญญถามมาคือว่าหนึ่งพระเจ้าสิวิราชเบียดเบียนตนเองไหมว่า ง, ง า, น, น, เงงเ น, น, านเบียดเบียนตนเองไหมสอพระเวสสันดรชาดกเนี่เบียดเบียนพระนางมัตสีเบียดเบียนกันหาชาลีหรือไม่เออประเด็นดูตรงนี้นะเออเหมือนกับการว่าจะให้ลูกยังต้องวางแผนให้นางพระนางมัตสีเข้าป่าก่อนนะและในขณะเดียวกันเนี่ย ที่หนักไปกว่า น, นั้นเนี่ยแม่มีการวางแผนเป็นขบวนการด้วยใช่ไ้มล่ะแม่แต่ท้าวส ก, ก่าเองยังแปลงเป็นเสือมาขวางไว้ใช่ไม่ใช่ <c oughs> เอออย่างนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วถ้าจะพอกองการวางแผนเนี่ยนั่นแหละถูกต้องแล้วครับเกี่การวางแผนในการที่จะบำเพ็ญหมาปฏิยาครัเพราะอะไรเพราะเป็นการบําเพ็ญบา ร, รมีที่ยิ่งใหญ่ประเด็นอยู่ที่ว่าให้สังเกตดูนะทีแรกจริงๆเนี่ยกัาชาลีไม่ยอมจริงๆนี่ท่านอาจารย์คํานวณถูกต้องแล้ววิ่งหนี มีการหนีลงน้ําโดยซ้ําไปแล้วก็เบ็ดเสร็จแต่ให้สังเกตให้สังเกตว่าพระเวสสันดรท่านท่านให้ข้อมูลท่านปอบโยนการหาชาลีแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับท่านบอกว่าท่านให้ข้อมูลโดยโดยโดยอัถฐะโดยสํานวนก็คือบอกบอกว่าเนี่ยเออย่าได้ทําลายทานบา ร, รมีของพ่อหรืออย่าได้ทําลายอย่าได้ทําลายสัมมาสัมโพธิญาณของสัตว์โลก เพราะการจะได้มาซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการช่วยสัตว์ขนสัตว์หรือออกจากสังสารวัตรโดยอัฐานะครับถ้าไม่อ่านแล้วถอดใจความไม่ชัดแล้วจะเข้าใจมุมนี้เพราะจริงๆท่านให้ข้อมูลว่าสิ่งที่เราทําทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะเพราะการไม่ได้มาซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณ น, นี่แหละเราและเธอนะดึงในดึงในอุทานปฐมอุทานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราและเธอนี่แหละ จริงต้องท่องเที่ยวในสังสารวัตต้องประสบชาติไม่ใช่น้อยประสบมหันประสบมหันตภัยคือชาติทุกข์ไม่ใช่น้อยมหันตภัยคือชรลาคือความแก่ไม่ใช่น้อยมหันตภัยคือพยาธิคือความเจ็บไข้ไม่ใช่น้อยมหันตภัยคือความตายความโศกความร่าไรลําพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจไม่ใช่น้อยฉะนั้นโดยหลักการตรงนี้แหละท่านก็โอ้โลมปฏิโลมให้เหตุและผลให้เชื่อมัน่น ให้เชื่อมั่นปฏิปทาให้เชื่อมั่นสัมมาสัมโพธิญาณว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันไม่สูญเปล่าใช่ไหมไม่สูญเปล่าแล้วถามว่ากันหาชาลีเนี่ยพอหลังจากถูกให้ข้อมูลเบษษีเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำด้วยความเต็มใจฉะนั้นทานของพระโพธิษัทเนี่ยจะมีอย่างนะหนึ่งถ้าผู้ที่จักสละหรือบริจาคไม่เต็มใจท่านจะไม่ไม่ให้ ท่านจะไม่ฝืนใจเด็ดขาดไม่มีตีไม่มีบังคับไม่มีขู่เข็นแต่พูดจนโลูกนั้นเห็นเหตุและผลนะตรงนี้ต้อ ง, องย้าให้ชัดว่าพูดจนกัญหาชาลีนั้นเข้าใจเหตุและผลแต่โดยอัฏฐะเนี่ยโดยโด ย, โด ย, โ, ดยโดยสำนวนของพระไตรปิฎกก็ดีอัต ถ, ถาก็ดีเนี่ยท่านจะกล่าวไว้เล็กน้อยแต่ในยะที่อื่นนะครับพระธรรมทูตต้องเอาในยะที่อื่นเอาคําสอนที่อื่นเข้ามาเป็นตัวเชื่อม พราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอัติลึกมีในที่วิจิตท่านท่านพูดในฐานะว่าพวกเราเข้าใจแล้วแล้วเราจะต้องไปขยายเพื่อไม่ให้เกิดให้ประชาชนได้เกิดความสับสนจะต้องอธิบายให้ชัดว่าจริงๆแล้วเวลาพระโพธิสัตว์จะเจริญทานเนี่ยแม้แต่จะให้ทาตเป็นทานก็เอาทาตมาถามก่อนเอาข้าทาสบริวารมาถามบอกว่านี่เราจะบำเพ็ญบรารมีพวกเธอเต็มใจหรือไม่เต็มใจ ว่าการบําเพ็ญบารมีการจะได้มาการจะสร้างที่ยิ่งใหญ่การต้องการสร้างอภินิหารที่ยิ่งใหญ่การจะได้มาซึ่งการตัดสรตวสัมมาสัมโพธิ ญ, ญาณทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ที่ทําทั้งหมดไม่ได้ทำเพื่อตัวเองด้วยหลักการก็อย่างนี้แหละดังนั้นเราจะต้องประกอบในในคําสอนอื่นๆแล้วจะเห็นมุมและจะไปเชื่อมในจุดอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นท่านก็จะพูดให้เห็นบอกว่าการจะได้มาซึ่งสัมมาสัมโพธิ ญ, ญาณไม่ได้อาศัยปัจจัยเดียวถ้าไม่มีลูกไม่ได้สละลูกจะไม่ได้เลยสัมมาสัมโพธิ ญ, ญาณ ถ้าไม่ได้สละบุตรสละภรรยาเป็นต้นเหล่านี้เห็นไหมจะประจบที่การสละพระนางมัตสีซึ่งพระนางพิมพาเป็นผู้กล่าวเองในคัมภิอุทานนางเป็นผู้กับพระนางกล่าวเองเนะวกว่าจะได้มาซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยพระองค์สละหม่อมชั้นเนี่ยมากกว่าพันโกอัตภาพในการสละให้เป็นชายาของบุคคลอื่นในการสละให้ไปเป็นทาสของบุคคลอื่นเป็นต้นในการสละที่จะชั้นหม่อมชั้นต้องสละชีวิตเน่ยมากกว่าพันโกอัตภาพ ฉะนั้นการจะได้มาซึ่งสัมมาสัมปอริยาณเป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่งว่างั้นให้ตระหนักให้เห็นคุณไม่ใช่ไปเห็นคุณของพระนางแต่ให้เห็นคุณของสัมมาสัมโพริยานสัมมาสัมโพริยานไม่ใช่บุคคลเป็นสภาวธรรมแต่ถ้าหากสามารถรวมตัวกันแล้วสร้างแล้วสร้างสัมมาสัมโพริยาณได้แล้วจะเป็นประโยชน์มหาศาลของมนุษยชาติว่างั้นเถอะของมนุษย์โลกของสัตว์โลกทั้งหลายในจักรวาลทั้งสิ้นว่างั้นเถอะในแสนโกรจักรวาลนั่นแหละ ให้สังเกตดูนะว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนรัตนาสูตรเนี่ยครับอาณาเนียอาณปริศเนี่ยถามว่ารัตนาสูตรก็ดีเนี่ยถามว่าเครื่องป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของปริศตาเครื่องป้องกันทั้งหลายเนี่ยมีอํานาจไปถึงแสนโกดจักรวาลนี่คือคุณของพระทเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นะใช่ไหมครับหรือชาติเขตของพระพุทธเจ้าเนี่ยแสตั้งหนึ่งหมื่นไ้ไมเนี่ยจักรวาลเนี่ยนะ แสนโกรจักรวาลเห็น ไ, ไหมแสนโกรจักรวาล น, นี่เป็นเป็นอาณาเขตส่วนวิสัยเขตน ะ, ะประมาณไม่ได้ถ้าชาติเขตก็หมื่นจักรวาลใช่ไหมล่ะเ อ, อถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นชัดเลยเนี่ยนั้นสรุปแล้วตรงนี้ก็คือว่าพระโพธิสัตว์จะไม่เบียดเบียนตนและจะไม่เบียดเบียนคนอื่นทีนี้ประเด็นก็อยู่ว่าเอาการควักดวงตาเนี่ยเป็นการเบียดเบียนตนไหมคําว่าเบียดเบียนตนเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์ คือทําอะไรแล้วเนี่ยมันเป็นบาปอ่ะยกตัวอย่างเช่นราคะครับราคะที่เกิดขึ้นในตนเนี่ยชี่ยวเบียดเบียนตนโทสะที่เกิดขึ้นในตนเนี่ยเบียดเบียนตนโมหะคือความมืดบอดเกิดขึ้นในตนเนี่ยชี่ยวเบียดเบียนตนถ้ากายทุจริตตนเองทําไปเนี่ยเบียดเบียนตนวจีทุจริตนี่เบียดเบียนตนแล้วก็มโนทุจริตอกุศลกรรมบุตรสิบเนี่ยเบียดเบียนตนแต่การควักดวงตาให้ออกเป็นทานเนี่ยไม่ได้ก็เบียดเบียนตน เพราะเป็นท่านมองเป็นทานไงมองเป็นวัตถุทานท่านทําแล้วท่านไม่ได้เดือดร้อนเลยท่านไม่ได้เดือดร้อนเลยแ ล, แล้วทําแล้วท่านกับชื่นใจสุขใจแล้วทําแล้วเนี่ยเป็นการสละอวัยวะเนี่ยเป็นทานอกุศลถ้าเบียดเบียนตนเนี่ยต้องมองไปที่ตรงไหนมองไปที่ตัวทศจริตนะครับท่านอาจารย์ครับมองกายะทศจริตตอนนั้นไม่มีเลยท่านไม่ได้ฆ่าสัตว์ท่านไม่ได้รักทรัพย์ ท่านไม่ได้ประพฤติผิดในกรรมท่านไม่ได้พูดเท็จท่านไม่ได้พูดส่อเสียดท่านไม่ได้พูดคําหยาบไม่ได้พูดเพ้อเจอ้อและตอนนั้นท่านก็ไม่ได้โลภตอนนั้นท่านก็ไม่ได้โกรธนะท่านไม่ได้รังเกียจในโว้โกรธแล้วเกินในร่างกายนี้ไม่ใช่และตอนนั้นท่านก็ไม่ได้มัวเมาลุ่มหลงท่านเข้าใจกรรมและผลของกรรมท่านเข้าใจเหตุและผลนะครับนะั้นหลักการตัวนี้เป็นหลักการที่ท่านเจริญกุศลกรรมบทด้วยและเป็นทานกุศลที่บริบูรณ์ไหมต้องจัดบริบูรณ์ที่ท่านทําาททัั้้งหมดในน่ตง อนุปาธาปานิธิพานก็คือปร า, า, ารถนาสัมมาสัมพุทธิยานฉะนั้นถ้าเบียดเบียนตนเนี่ยต้องบอกว่าหนึ่งท่านขับเน้นที่ตัวอกุศลเหมือนคําว่าอัตตา ก, กิล่ามัทฐานุโยคเนี่ยขับเน้นอะไรขับเน้นอกุศลที่เป็นกลุ่มโทสะกลุ่มวิชชาทิฏฐิเออเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์พอจะชัดเจนไหมอันนี้วนต่อฉะนัออ้น ป, ประเด็นปัญหาที่ท่านอาจารย์แถวนี้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์และจะเป็นจะเป็นปัญหาในอนาคตอีกด้วย ช่วยกันหามุมเยอะๆในคําสอนนั้นอ่นน <ej> ี้หมดขอไม้หนข้างหลังท่านกลับประวัติครับพระอาจารย์รู้สึกดีคําสาทก็ได้ยินดีครับถ้ายังไม่มีผมขอกลับไปถามพระอาจารย์เนะเกิดเราจะตอบกับญาติโยมหรือคนที่จะตอบยังไงว่าสมมติว่าตอนนี้เราพูดถึงปรามีสิบหรือสามสิบถ้าคุณทางบุคคลปรมีได้ ปรมัตตบารมีเข้าไปเนี่ยทําไมถึงเป็นหลักทําบา ร, รมีสิข้อนี้ทั้งทั้งที่มันจะมีบา ร, รมีข้ออื่นอย่างเช่นว่าการุณาดุจพิตาหรือว่าฉันทะหรื อ, อว่อาอะไรทั้งทั้งโดยเฉพาะสติสมาธิเนี่ยซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่จะนําไปสู่การค้นทุกในทั้งไจรับ ท, ทั้งในโทษชมทั้งในคนตับเนี่ยตับสามอะไรเงี้ยแต่นี้ สติจิตสมาธิก็ไม่ปรากฏในในบา ร, รมีสิบถ่าเกิดญาติโยมทำนี้ไม่ทราบเราจะควรจะอธิบายโอ้เออตรงนี้พูดถึงถามในเรื่องตัวคุณธรรมเออถ้าถามบอกว่าตัวบา ร, รมีสิประการเนี่ยนะมีทานบา ร, รมีนะในตัวทานบา ร, รมีนั้นเมื่อกี้พระท่านถามมานะท่านอาจารย์ถามเม า, าเออทำไมไม่มีพวกสติบ้างสมาธิบา้างศรัทธาบ้างเป็นต้นเหล่านี้หรือพวกกรุณาเนี้ยพวกมุทิตาเนี่ยพวก หรือที่เป็นตัวคุณธรรมต่างๆกลุ่มพรมวิหารอาจจัดมาเป็นบารมีเพียงแค่เมตตาบารมีกเวขาบารมีทําไมไม่มีกรุณาบารมีทำไมไม่มีมุทิตาบารมีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ใ น, น, นที่ประเด็นที่ถามมานั้นที่ถามมาและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเอสติก็ดีกลุ่มสมาธิก็ดีต่างๆเหล่านี้ทําไมไม่จัดเป็นบารมีหรือกลุ่มในโพชฌงก์เอยอริยมร์เนี่ยสรุปไว้ไว้ในคําสอนไว้ในชั้นคําสอนที่ท่านช้คําว่าที่จริงบารมีสิบนะครับ บรารมีสิบนั้นน่ะถ้าย่อนะครับถ้าย่อลงให้เหลือสามก็คือศีลสมาธิปัญญา<ม>ให้สังเกตดูนะตัวทานบรารมีเนี่ยในตัวทานบรารมีน่ะตัวเจตนาคือจิตที่คิดจะให้อันนั้นคือกลุ่มนมามธรรมเจตจำนงที่เป็นไกบกกุศลเมื่อเป็นไกบกกุศลตัวทานบรารมีนั้นต้องมีความไม่โลภไปด้วยอโลภทานต้องเด่นด้วยสองอโทสาเห็นไหมอัตโทษานั้นคือกลุ่มเมตตาก็ต้องมาเด่นด้วย ประการมาคืออมโมหะก็คือกลุ่มปัญญานะครับและในการระลึกถึงทานเนี่ยในการที่จะระลึกถึงทานเพื่อให้มีความตั้งมัน่นในการระลึกถึงทานนบรารมีให้ต่อเนื่องเอามาระลึกเป็นอนุสติอันนั้นก็ใช้สติแล้วครับเห็นไหมตัวคุณธรรมเก่าวคือสติก็พลอยเจริญไปด้วยสรุปก็คือว่าการเจริญทา น, นบาัณมีคุณธรรมอื่นๆก็ถูกยกขึ้นมาทั้งทั้งชุดแล้วครับถูกยกขึ้นมาหมดนั่นแหละแต่ท่านขับเน้น10 ป, ประการเนี่ยแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังของ10 ป, ประการเนี่ย หรือตัวเกลือหนุนสิประการนั้นก็คือศีลสมาธิปัญญาขยายออกเป็นระดับกลางก็คือศีลวิสุท ธ, ธินะครับความหมดจดแห่งศีลจิตตาวิสุทธิความหมดจดแจธธมหมดดแ่งจิตนั้นกลุ่มพวกเนคขม้าทั้งหลายกลุ่มคุณธรรมเหล่านี้แล้วก็ทิฏฐิวิสุท ธ, ธิก็กลุ่มพวกปัญญานะครับกังขาวิตรณวิสุท ธ, ธิอันนี้คือกลุ่มปัญญาเหมือนกันที่ตัดความลังเลสงสยัย มค า, ามค า, าปฏิบัตานทัศนวสุทธิปฏิปทายานทัศนวิสุทธิจนถึงญาณทัศนวิสุทธิเป้าหมายก็คือนู่นแหละมัคจิตผลจิตจนถึงปัญญายานในโลกุตละธรธรมนี่แหละครับสรุปแล้วเห็นไหมสีแล้วิวสุธทธิเจ็ดก็ขยายมาถ้าขยายใหญ่กว่านั้นหน่อยก็คือว่าสติประธาน4สมมาประธาน4อิธิบ า, บาท4อินทรีย้าพละหา้าโพชงเจ็แล้วก็มัสมีองแปดพอที่ปัจกิยธรรม37ประการก็คือกลุ่มคุณธรรมเหล่านี้แหละครับ คุณธรรมในบา ร, รมีสิบนั่นแหละอันนั้นคือกลุ่มขับเคลื่อนกลุ่มขับเคลื่อนที่จะทําให้บา ร, รมีเหล่านั้นนะ่ะมีเป็นองค์คาพยพถ้าพูดอย่างนี้นะครับจะเย็นชาร์หนึ่งทุกบา ร, รมีนะ่ะเขาเรียกเป็นกองทัพท่า น, นเช่นฐานาเจตนาโยธา น, นี่กองทัพของฐานบา ร, รมีในในกองทัพของฐานบา ร, รมีเนี่ยเป็นองค์คาพยพขนาดใหญ่นะครับ นั้นต้องเป็นกองทัพถึงจะบทขยี้บาปกฎศ ร, ร, ธ ร, รัทธาลามกที่เกี่ยวกับตนีและความโลภตัวมัฉริยานี้ให้หลุดจากกระแสใจได้เห็นไม่มีตัวเจตนาเป็นใหญ่ทีนี้ในเจตนาเหล่านั้นก็ยังมีกลุ่มผัสสะเวทนาสัญญา เ, เอกะกะตาชีวิตินทรีย์วิตกวิจารอธิโมกวิริยาปีติฉันทะโอ้โหมีกลุ่มคุณธรรมนี้เต็มไปหมดแหละศรัทธาความเชื่อมั่นฮีเลส ค, ความละอายต่อบาปอตตาความเกรงกลัวต่อบาปความไม่โลภความไม่โกรธเงี้เป็นต้น แล้วก็กลุ่มพวกไอ้สตาสติหรืออตัตตาความไม่โลภความไม่โกรธความ ต, ตรามาชั ต, ตากลุ่มพวกอุเบกขาทั้งหลายเนี่ยนะกลุ่มอะไรเนี้ยกายปสัสสติจิตปสัสสติจนถึงกรุณามุติตาทั้งหลายเป็นองคาไป ย, ยบของธานาเจตนายโยธาทานกองทัพเห็นไหมกองทัพของธานบารมีเพอศีลและเจตนายโยธานก็เจตนาเป็นตัวผลัก ด, ดันให้กองทัพของศีลบารมีขับเคลื่อนบทขยี้ความทุศีนนะครับ เนคคำมะเจตนาโยธาก็บดขยี้ความความที่ติดข้องในกาลมคุณทั้งหลายเห็นโทษของกามทั้งหลายปัญญาเจเปัญญาเจตนาโย t h a องทัพของปัญญาบารมีก็มีกลุ่มคาไปยบขององค์ธรรมเหล่านี้เยอะแยะไปหมดเป็นตัวเกื้อหนุนแล้วก็วิริยะเจตนาโยธา a องทัพของวิริยะบารมีก็บดขยี้โกสัชะความเกียดค้านทั้งหลายนั่นแหละที่ไม่อยากลุกขึ้นมาเจริญบองเพนบารมี แล้วก็ขันติเจตนายโยธาก็บทขยี้ความไม่มีขันติความไม่อดทนทั้งหลายนั่นแหละความอ่อนแอทั้งด้านจิตใจทั้งหลายนั่นแหละนี่ก็มีกลุ่มคุณธรรมเต็มไปหมดแล้วก็ก así, สัจจาเจตนายโยธานก็บทขยี้ความไร้สัจจาความไม่มีสัจจาความไม่จริงจัง ders, ทั้งหลายไม่มีเป้าหมายที่ปรมาทสัจจาแล้วก็อธิฐานเจตนะายโยธาก็ความความไม่ตั้งมัน่นทาอะไรหล่แหลทั้งหลาย นี่ก็คือเป็นกองทัพที่ว่ามั่นคงในการการณีที่จะบทขยี้ความเป็นผู้ไม่ตั้งมัน่นแล้วก็เมตตาเจตนายโยธาก็บทขยี้กลุ่มพวกความโกรธทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็อุเบกขาเจตนายโยธาอันนั้นเป็นความเป็นกลางของสัตว์ในใ น, ในต่อสัตว์ทั้งหลายแล้วก็คนสภาวะธรรมเหล่านั้นนั่นแหละที่เป็นความเป็นกลางแล้วก็มีปัญญายานทั้งหลายไปฉลาดในเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นต้นสรุปกองทัพของบา ร, รมีทั้งสี่สี่ทั้งสิกองเนี่ยเป็นกองทัพธรรมครับ กองทัพธรรมที่จะมีมีการเสริมพลังกันเรื่อยๆถ้าหากเริ่มเริ่มเริ่มเคลื่อนตัวใหม่ๆเขาเรียกบา ร, รมีธรรมดาครับเขาเรียกกองทัพธรรมดายังไม่แข็งแรงถ้าเริ่มอุกฤษขึ้นมาหน่อยเขาเรียกอุปปาลมีถ้าเป็นแข็งกล้าประเภทที่บทขยี้ฆ่าศึกศัตรูได้โดยโดยชนิดที่ชนะอย่างราบคาเป็นปรมามัตถาลมีครับจะเป็นลักษณะอย่างนั้นสรุปก็คือว่ากองทัพทั้ง10กอง อันนี้คือกองทัพสําหรับบุคคลต้องการบําเพ็ญบา ร, รมีในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพ่อปเจกของพุทธเจ้าและเป็นสาวกของพุทธเจ้าครับฉะนั้นทั้งหมดก็คือต้องมีกองทัพเหล่านี้เป็นตัวเคลื่อนไหวแต่ถ้าถามว่าในนั้นมีคุณธรรมสติอยู่ในนั้นไม่ใช่อยู่ในนั้นแหละสมาธิก็อยู่ในนั้นแหละปัญญาก็อยู่ในนั้นแหละตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาคุณธรรมอื่นๆแม้กรุณาเห็นไหมตัวกรุณากับตัวญาณปัญญานี่สําคัญมากอันนี้เป็นตัวสําคัญอย่าลืมนะ ที่พระโพธิสัตว์ท่านบำเพ็ญบา ร, รมีเนี่ยอะไรเป็นตัวยึดโยงครับตัวกรุณาถ้าท่านไร้กรุณาในสัตว์ทั้งหลายท่านจะหยุดการบำเพ็ญบา ร, รมีทันทีนะเวลาท่านจะท้อถอยในการจะบำเพ็ญบา ร, รมีไอตัวกรุณาก็กระตุ้นเตือนท่านตลอดเวลางนั้นท่านเห็นความทุกข์ของสัตว์โลกแลยท่านทนไม่ได้ท่านจะต้องบำเพ็ญบา ร, รมีไปสู่จุดหมายปลายทางก็มีกรุณาเนี่ยแหละท่านแทงตลอดอริยสัจะหรือเห็นความจริงได้ก็คือยานปัญญา ท่านเห็นโทษในสังสารวัต ด, ด้วยญาณปัญญานะแต่ท่านก็มีกรุณาในสัตว์ทั้งหลายเห็นไหมไอตัวตัวตัวกรุณากับตัวปัญญาต้องคอยบาลานกันตลอดเวลาบา ร, รมีนะครับต้องต้องจัดความสมดุลให้ดีถ้ากรุณามากแต่ปัญญาน้อยขึ้นมาเอาอยู่แล้วไม่เห็นโทษทังสังสารวัตรอีกถ้าเห็นโทษของสังสารวัตมากเกินไปเบียดเสร็จเดี๋ยวไปพ้นทุกข์ก่อนก็ไปทิ้งสัตว์อีกอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมจะต้องมีการผูกเขาถึงบอกว่าหนึ่งพระโพธิสัตว์เนี่ยต้องผูกบา ร, รมีไว้ในตนนะครับบา ร, รม และก็ผูกสัตว์ไว้ในตนครับผูกสัตว์ไว้ในตนคือผูกพวกเราเนี่ยไว้ในในใ น, ในกระแสใจท่านตลอดเวลาที่ท่านจะมีปณิธานว่าเราพ้นทุกข์แล้วจะให้สัตว์อื่นพ้นทุกข์ด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้สัตว์อื่นข้ามได้ด้วยโอ้ค้านี่แหละห่วง น, น้านี่แหละเราตัดสิรู้แล้วจะให้สัตว์อื่นตัดสรู้ด้วยเราหายใจคล่องแล้วจะให้สัตว์อื่นหาย ใ, ใจคล่องด้วยอย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นในกรณีอย่างนี้ก็จะมองเห็นว่าอ้อแท้ที่จริงเนี่ยที่ท่านอาจารย์ถามมาเรื่องว่ากรุณากระมุติตาเออกรุณากับปัญญามีอยู่ในนั้นบอมีตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวเกื้อนหนุนเป็นตัวคอยค้าจุนอเผอิญยังบรรยายไม่ถึงในมุมตรงนี้ที่จะท่านจะท่านจ ะ, นจะชี้เห็นเลยในคํำสอนเนี่ยท่านจะชี้เห็นความสําคัญของกรุณาและก็ปัญญาที่จะต้องมีตัวยึดโยงกันตลอดเวลาระหว่างกรุณาในสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เห็นภัยในสังสารวัตร เนี่ยจะต้องเป็นตัวยึดโยงเกื้อหนุนกันอย่างต่อเนื่องที่อยู่ในกระแสะใจของพระโพธิสัตว์อย่างยาวไกลในสังสารวัฏยี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากัาบเนี่ยเปี่ยมนะครับเปี่ยมล้นนะมหากรุณานั้นน่ยผูกผูกพวกเราเนี่ยทำไมท่านต้องระดมทา น, นบารมีอย่างมหาศาลทําไมท่านแจกงั้นกระแสะชีวิตของเราที่ไม่เคยรับทานจากพระโพธิสัตว์ไม่มีครับพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านเจริญทา น, นบารมีท่านก็ใหม่ๆเนี่ยพวกเราไม่น้อมจะฟังทำหรอก พระพุพธทธศาสนาก็บอกวันนี้เราจะให้วัตถุทานแก่ท่านวันหนึ่งเราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราจะให้ธรรมทานขนท่านออกจากสังสารวัฏเั้นท่านถึงแจ ก, กทานทั่วโลกนะครับพระพุพธทธศาสนาเนี่ยแจ ก, กทานทั่วสังสารวัฏเน่ยแจ ก, กตลอดมีเท่าไหร่ก็แจกแจกแจกแ ก, แ ก, แกท่านแจ ก, กทําไมท่านอัจยาสายบอกวันนี้วันนี้วันนี้ต้องแจ ก, กวัตถุทานช่วยท่านหนีพ้นจากภายัยคือคือความหิวคือความยากจนคือความเจ็บปวด แต่สักวันหนึ่งว่างานเธอเมื่อบา ร, รมีเราแก่กาาล้าเมื่อไรเราตัดสรู้เป็นพุทธเจ้าเราจะเอาธรรมทานมาแจากท่านแล้วพาท่านขนจากพ้นจากสังสารวัตรฉะนั้นท่านจึงระดมทานบา ร, รมีเต็มเปลี่ยมครเต็มเปลี่ยมเลยไม่มีจุดบกพร่องเลยแม้แต่น้อยถึงบอกว่าทรัพย์ที่มีทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อสัตว์อื่นโดยแท้นะครับทรัพย์ที่มีทั้งหมดเนี่ยแม้แต่มีเป็นเจ้าของแผ่นดินก็สามารถยกแผ่นดินยกราชบรรลังให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ คือเกลือกูลสัตว์ทั้งหลายนะเอาวิวาทุกชิ้นที่มีก็เพื่อสัตว์อื่นโดยแท้ว่างั้นแต่แม้ชีวิตก็เพื่อสัตว์อื่นโดยแท้ฉะนั้นกรณีอย่างนี้ก็คือว่าทานของพระโพธิสัตว์จึงยิ่งใหญ่ถึงบอกดังที่ได้กล่าวไว้นี่บางทีอาจจะพอพูดปุ๊บทีเดียวเลยถ้าไม่รู้เหตุและผลเนี่ยเหมือนเอ๊ะทำไมพูดหนักเกินไปหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นว่าเอ่อให้เนื้อเป็นทานจนแผ่นดินพ่ายแพ้พระพูทธแค่เนี้ แล้วบอกอีกเกินไปมัง้งแต่ถ้าเราดูน้ําใจดูข้อวัดของท่านดูปฏิปทาของท่านดูคุณธรรมของท่านโอ้เป็นไปได้อย่างมากมายเลยซ้ําไปเลือดที่ไหลออกจากสลีล่าของท่านเนี่ยจนมหาสมุทรทั้งสี่พายแพ้เนคะวักดวงตาแจกให้เป็นทานที่ปัญหาท่านอาจารย์ถามเนี่ยมากกว่าดาวบนท้องกว่าฉั้นมองดาวทีไรก็เห็นเห็นดวงตาของพระโพธิสัตว์เห็นดวงตาของพระโพธิสัวตว์ ท, ที่ท่า น, านแจกท่านแจกไปครับอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็ตัดศีรษะให้เป็นฐานเนี่ยมากกว่ามากกว่าแป้นก้อนดินเนี่ยก้อนหินที่ไปไปปั้นเป็นขุนเขาซีเนรุ่อ่ะอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะเห็นว่าโอ้โหการเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่อย่างที่คิดไม่ใช่ว่าแม้นั่งทำท่าหลับตาหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นพุทธเจ้าได้ไม่ใช่เลยใช่ไหมนะเป็นการที่จะต้องได้มาด้วยความด้วยการบำเพ็ญบารมีอย่างสูงสุดอย่างอุกฤษต่างนั้นฉะนั้นแต่ว่าบารมีนั้นก็เป็นกองทัพกองทัพนะครับแต่ละอย่างที่ท่านท่านอาจารย์ถามมา เขาจะมองเห็นว่าโอ้พระโพธิสัตร์เวลาท่านบำเพ็ญบา ร, รมีเนี่ยเป็นองค์คาพย o และให้สังเกตดูนะว่าท่านทํากองทัพรรมในใจท่านได้สิบกองแล้วไม่พอมันก็ต้องเกี่ยวข้องท่านก็ต้องเกี่ยวข้องบุตรเกี่ยวข้องภรรยาเกี่ยวข้องญาติมิตรเออต้องบอกอย่างนี้ไม่ใช่ท่านจะแจกเฉพาะบุตรภรรยานะเออสละนะให้เป็นมหาปริจาค่ะนะแม้บริวารของท่านก็ให้อตอนที่เป็นให้สังเกตดูนะว่า ตอนที่เป็นพระเจ้ามหาสุทัสนะนี่ปกครองในกุศินาราเนี่ยเป็นกุสาวดีเป็นเมืองหลวงเนี่ยเป็นราชธานีอ่ะมีปราสาท 84,000 ใช่ไหมล่ะมีเรือนยอด 84,000 มีบันลัง 84,000 บันลังเตียงบันทม 84,000 เตียงมา 84, 000, ้า 84,000 เชือกช้าง 84,000 ตัวอย่างนี้เป็นต้นมีกองทัพมีทหารมีนางสนม 84,000 นางเนี่ย แม้แต่อาหารนะ่ยวันละแปดหมื่นสี่พันสำหรับผ้าที่ใช้กับวันละแปดหมืสี่พันโกดพับอย่างเงี้ยครับให้สังเกตดูนะว่าท่านแจกนะครับบริวารที่ท่านมีเนะ่ยใครต้องการบริวารท่านก็ให้บริวารหรือแจกบริวารบริวารก็เต็มใจเต็มใจอย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าใครไม่มีข้าวมาใครไม่มีเสื้อผ้าแจกผ้าใครไม่มีอาหารแจกอาหารมีน้ำเดืิมมีมีทุกอย่าง เห็นไหในเมืองนี้ในเมืองกุสิณาราเนี่ยคือแจกว่างั้นเถอะถ้าเราไปดูในผมบรรยายในมหาสุทัศนสูตรก็ว่าอันนั้นเอาในมหาสุทัศนสูตรทั้งในคัมภีพระตรีพิดกที่เป็นตัวพุทธพจน์และอัตถกถามาขยายแล้วผมเอามาหลายที่ด้วยนะในมหาสุทัศนจริยาบวกกันกับในมหาสุทัศนสูตรแล้วก็เอาในเอาในมหาสุทัศนชาดกด้วยนะ แล้วก็ไปเชื่อมในมันธาตุราชาดกมาเชื่อมแล้วผมพยายามพยายามพูดให้เห็นมุมว่าอ๋อเมืองกุศินาราเนี่ยไม่ใช่อย่างที่คิดทำไมพระบรมศาสดาจังมาปรรินิ้พานที่เมืองนี้อย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้เห็นว่าอ๋อในพระเจ้าต้องการแสดงให้เห็นว่าพระบรมศาสดามาบาเพ็ญบารมีมาบำเพ็ญบารมีหน้าที่ตรงนี้ฉะนั้นเวลาท่านแจกให้ทานเนี่ยให้ทานเนี่ยท่านให พอให้เบีดเสร็จพอบัน้นปลายพอหลังจากที่ท่านแจกทานมาระดับหนึ่งเบีดเสร็จแล้วเนี่ยแล้วท่านก็มีอยู่ข้างหนึ่งก็คือว่าท่านพอแล้วพอท่านจะสละดีนะท่านก็ขึ้นสู่ปราสาทธรรมปราสาทท่านขึ้นไปอยู่แล้วท่านก็มองลงมาข้างล่างมองมาที่เบืองมองที่สะแปดหมื่นสี่พันสะมองกลุ่มข้าทาสบริวารมองทรัพย์สมบัติของท่านเต็มไปหมดเบีดเสร็จเนี่ยท่านก็มาพิจารณาเลยนะบอกโอ้เนี่ย เปนไหมผลบุญอะเนี้ยนี่มันมาจากเหตุมันมาเหุนี่ผลเกิดขึ้นมันมาจากเหตุแต่เราจะมามัวเมาลุ่มหลงอยู่ในผลที่มันไม่เที่ยงที่มันเป็นทุกข์แล้วที่มันไม่มีตัวตนไม่มีสาระอะไรเลยนี่ไม่ได้นก็มองเหมือนอ๋อเนี่ยไม่ต่างอะไรกันเลยในที่เราเป็นจักรพรรดิราษฎเนี่ยก็เหมือนเด็กน้อยนั่นแหละไปสมมุติว่าตนเองเป็นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องหรือว่าไปเป็นเจ้าใหญ่นายโตขึ้นมาก็เอาฝุ่นเนี่ยว่างั้นเธอเอาดินมาปั้น เหมือนเด็กๆเ่ยที่เรามาปั้นเป็นบ้านเป็นเรือนอะไรต่างๆเอาฝุ่นนั่นแหละเอาฝุ่นมาปั้นเป็นเจดีย์บ้างเป็นบ้านเรือนบ้างเป็นราชวังบ้างเป็นทหารบ้างเป็นราชบริพารเป็นอะไรเยอะแยะเบสเสร็จแท้จริงก็เด็กเราก็เหมือนเด็กเล่นฝุ่นนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกว่างั้นจะไม่ได้คงทนอะไรนะเดี๋ยวก็พังไปตามกาลเวลาและทุกวันนี้ไปไหนเนี่ยเห็นไหมครับเห็นความเจริญรุ่งเรืองของกุสาวดดีไหมเนี่ยไม่มีเหลืออยู่เลยเนี่ยเห็นไหมพุทธเจ้ายังบอกดูก่อนอานน์สังขารทั้งหลายเป็นแบบนี้แหละ ว่า ง, งั้นเธอเนี่ยสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงเป็นธรรมดามีความแตกดับเป็นธรรมดามีความสลายไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความวิบัติไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่า ง, งั้นเธอเห็นไหมว่ามหาสุทัศนเออกุสาวดีราชธานีอ่ะละหายไปไหนท่านถามภิกษุทั้งหลายในีเนี่ยสะ8ปดหมืนสี่พันสะหายไปไหนว่า ง, งั้นเธอเมืองแปดหืนสี่มันเมืองหายไปไหน ว่า ง, งั้นเถอะเจดี JD 84% ดหมพันเจดีเนี่ยรัตนะ เ, เกี่ยวในเรื่องของเตียงบรรทม 80,000 นเ่ยเมืองขึ้นทั้งหลาย 84% ดหมพันเมืองหายเกลี้ยงช้าง 84% ดหมพันเชือกหายไปไหนมาแผดแปดห่นสี่พตัวว่า ง, งั้นเถอะนางสนม 84% ดหมนพันนางเคยอยู่ในเมืองนี้หายไปไหนเนี่ยเห็นไหมสังขารมันเป็นแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็บอกแล้วก็บอกพลิกษุตรทั้งหลายบอกว่าเนี่ยบัตรนี้เนี่ยว่า ง, งั้นตอนนี้พระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้า แล้วพุทธบริษัทสี่ภิกษุภิกษุณีบาศกบาลิกาเนี่เป็นเลือนหมืน่นเลือนแสนเลือนล้านนับัลักนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก็หายวับไปกระตาแล้วทุกวันนี้หายเป็นจริงนะเนี่ยนี่สังขารไม่เหลืออยู่เลยะเราลองนึกถึงภาพนะว่าในวันที่วันที่แจกวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าพผ้รหันที่เป็นสังฆเถระสี่แสนเจ็ด แ, แสนรูปไม่นับพระนาวกาศติดตามนะแล้วก็บภิกษุณีเท่าไหร่ อุบาสกเท่าไหรอุบาสิกาเท่าไหร่เนืองแน่นไปด้วยผู้คนโดยเฉพาะวันเผาบรมาศพที่มกุฏพันธนะเจดีเนี่ยปริมณทนเนี่ยสามสิบโยชนเนืองแน่นไปด้วยประชากรว่างั้นเถอะแล้วตอนนี้หายไปไหนหมดคราค้ำไปด้วยฝูงชนเหล่านั้นหายไปไหนพระเจ้าวันนี้ไงสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้และท่านทั้งหลายว่างั้นนะเนี่ยมีความเสื่อมไปทําเป็นธรรมดาคลายไปดับไปสิ้นสลายไปเป็นธรรมดา เมื่อเธอเห็นความจริงอย่างนี้แล้วจงทําสังิเวขายาณนะว่างั้นให้เกิดขึ้นแล้วให้เกิดความสะดุ้งสะเทือนกลัวภัยในสังสารวัฏออถ้ามองนี้ก็จะได้เห็นเห็นชัดเลยว่าโอ้อสังขารเป็นอย่างนี้พระเจ้าเตือนอะไรเราแล้วพระเจ้าก็บอกบัตรนี้เพราะพระพเจ้ายังมีพระชนอยู่และสาวกของพระเจ้าก็ยังมีอยู่แต่สิ่งเหล่านี้สังขารเหล่านี้ในอนาคตจะหมดไปแล้วจะไม่มี เพียงพอแล้วที่เธอจะเบื่อหน่ายเพียงพอแล้วที่จะคลายกำหนัดพวกันเพียงพอแล้วที่จะสะดุ้งสะเทือนเห็นภัยจึงเพียรพยายามเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุทรรมไม่แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทรรมไแจ้งพวกที่ก็เตือนพวกเราอย่างเงี้ยเออท่านมองเราก็เห็นจริ ง, รงๆนะผมมาที่นี่ที่ใดผมก็สลดสังเวสสังเวช ท, ทิกทุกครั้งไนะเวลาไปไหว้ที่ปริทิพานที่ใดเนะี่ยผมมันสะเทือนใจทุกครั้งนะครับสะเทือนใจแม้แต่เหยียบย่ำตรงเนี้ยเ mm. หยียบย่ำไปทุกสถานที่ ผมสะเทือนใจเวลาผู้มาที่นี่สะเทือนใจในกรณีที่นอนก็ไม่ค่อยหลับเหตุผมไม่ใช่ฟุ้งซ่านเนีแต่ผมสะเทือนใจพุทธพจน์ผุดมาในใจต ล, ลอดนะครับผุดเตือนกระตุ้นกระตุ้นเตือนตลอดว่าวัานี่ น, นี่เราทําอะไรอยู่เนี่ยเพราะสังขารในอดีตหมดไปแล้วเนี่ยพระเจ้าปรินิพานไปแล้วสาวกก็ปรินิพานไปแล้วเหลือแต่พระธรรมวินัยแล้วตอนนี้คนที่นับถือมีกันสักกี่คนว่างั้นเจอพวกเรามาศึกษาพุทธศาสตรนาเชิงลึกในอินเดียเนี่ยเราก็ต้องอ่านสถานการณ์ให้ออก และในอนาคตจะยิ่งยิเร็ว้ายกว่านี้ใช่ไหมการาศาสนาก็ยิ่งเสื่อมโทรมไปเสื่อมโทรมไปคนก็จะไม่ค่อยเข้าถึงกันแล้วว่า ง, งั้นเดอะแล้วพวกเราจะอยู่กันยังไงเราจะศึกษาเราจะรักษาคําสอนพระเจ้าไว้ในใจยังไงและจะปฏิบัติตามยังไงอย่างนี้เป็นต้นเผมตอบปัญหาหนึ่งปัญหาเลกระทบมาหลายปัญหาเลยเนะมีใครถามอะไรต่อไหมครับอีกหนึ่งปัญหานะครับอันนี้มตเออเเอาไม้ถวาย ขอกราบการอาจารย์คนระับเท่าที่ครูบาอาจารย์ทุปกประดยินใด้ฝามาแล้วว่าที่อาจารย์บรรยายมาเนี่ก็เสริม แ, แต่ตอนนี้ก็พบว่านามว่าที่พระศาสดามหาวิรัติที่บอกว่ า, วาลิขานิานที่เมืองปาวาออกจากอุสิงการาประมาณสิหกโยกนี่มันจริงหรือไม่แล้วถ้าเป็นจริงแล้วมันจะขัดกับเัา ไม่ขัดกับหลักแปลว่าอะไรครับคือหมายความว่าที่อาจารย์บอกว่าพระอรหันต์ที่นอศาสนาพุทธคือไม่มีที่พุทธองค์ระดับได้ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ๋ออ๋อคืออย่างนี้ครับเ อ, อาศาสดามหาวีระเนี่ยเป็นศาสาศดาของของาศาสนาเชนนะครับาศาสนาเชนเ อ, อท่านเป็นคนเ อ, อท่านเป็นคนเวสาลีใช่ไหมครับ ภัสาลีนั่นแหละถ้าถามบอกว่าเออท่านก็ปฏิญญาณตนเองว่าเป็นสยามผู้เงินท่านก็ปฏิญญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะตรงนี้ก็ออพระธรรมทูตก็ไปต้องต้องไปดูในพรหมชาลสูตรเออขอไปในกามกลมาสูตรนะครับก็จะเห็นชัดในกาลมาสูตรเนี่ยเออตรงนี้เป็นเรื่องที่จรงิงๆก็อยากจะฝากให้พระธรรมทูตได้ได้มุมตรงนี้ไปคิดกัน ในในชาวกาลามาชนเนี่ยในปุตตะเกสะสะสสูตรที่บอกว่าใน ก, กาลามาชนเนี่ยคือชนในเมืองนี้สับสนในบรรดาครูทั้งหเป็นต้นเนี่ยพวกมคคะลีโคสาละอชิตาเกสักำปนปะกุฏะกาจายนะสัญชัยเวลรละปบุตรนิครณาตะบุตรเป็นต้นเหล่านี้นะคือบรรดาครูทั้ง6เนี่ย ต่างก็มาก็มาบอกว่าตนเองเยเป็นผู้ตัดสุขบอกวาอ่างนั้นเธอเป็นสยามภูยานนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าว่างนั้นเถอใครๆก็มาก็มาประกาศตัวเองอย่างเงี้ยว่าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้รู้จริงเล่นเอาประชาชนในการามชนเนี่ยพากันสับสนว่าใครเป็นพระพุทธเจ้ากันแน่คําสอนของใครในถูกกันแน่เฉั้นอย่าว่าแต่วพวกเราเลยแม้แต่คนในยุคนั้นก็สกับสนที่นี้ จริงๆในสูตรเนี้เราต้องขยายความนะท่านมหานะต้องขยายความว่าก็คือในชมโพูทวีปในโลกใบนี้อ่ะในโลกใบนี้ทั้งหมดนี่แหละครับคือกลุ่มชาวกะลา ม, มาชนว่างั้นเธอทําไมจึงเรียกอย่างนั้นก็เพราะเราเนี่ยถูกบรรดามิจฉาทิถีทั้งหลายมาโปรยหนามโปรยยาพิษเต็มแผ่นดินแล้วครับใครๆก็อ้างตนเองว่าเป็นศาสดาผู้รู้ทั่วถึงกันทั้งนั้นแหละว่างั้นมารู้ทั้งนั้นแหละ เพราะบ ร, รมศาส ด, สดาก็ามาณเมืองนี้ก็คือมาอุบัติเกิดขึ้นเนี่ยพวกศาส ด, สด า, าก็บอกอย่าแปลกใจเลยที่พวกเธอจะไม่สงที่จะที่สงสยยัยอ่ะเป็นธรรมดาย่อมจะต้องสงสัยอยู่แล้วเหตุผลทำไมต้องสงสยัยก็เพราะว่าใครก็ต้องมายืนยันว่าคำสอนคุณตนเองเนี่ยใช่และถูกถูกต้องแล้วก็นำพาประชาศาสตร์ให้พ้นจากวัตถุทุกเป็นต้นเหล่านี้ได้ ฉะนั้นในคําสอนของท่านาศาสดรามหาวิระก็หนึ่งหนึ่งคำสอนนั้นท่านก็บอกว่าเขาพ้นทุกจริงแต่ให้สังเกตดูนะคําสอนของาศาสดรามหาวิระนี่เป็นอยู่ในกลุ่มของอ ok ัตตกิรมะฐานุโยโในธรรมจักรกัปวัฒนสูตรพุทธเจ้าสอนเลยใช่ไหมบอกว่าทเวเมพิคเวอันตาปปจพิเตนันศรีวิตาภาโยจายังอัตตกิรมะฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาตสันฮิโตบอกงันก็บอกว่าไอเนี่ย มีสองประการนะการมาสุ ข, ขาริการนิโยโคทุกโขกับอตักกิลมัฐานนิโยโคทุกโข อ, อนาริโยอนนัยสโตแปลว่า น, นั่นก็หมายความบอกว่าการหมกมุ่นในการมาคุณซึ่งการประกอบตนเองให้หมกมุ่นในการมาคุณทั้งหลายเหล่านี้อันนั้นคือกลุ่มโลภะกลุ่มปฏิปทาที่เป็นไปกับความโลภมวัมวเมาเพลิดเพลินทั้งหลายเหล่านี้ยอันนี้ก็เป็นกรรมที่คนต่ำสามก็ทํากันเป็นของชาวบ้านว่างั้นเถอะไม่ใช่ของประเสริฐทั้งหลายว่างั้นเถอะ คนที่มีปฏิปทาต่ำๆเขาบังเนินกันไปไม่ใช่หุ่นมชมาปฏิปทาส่วนอัตตกิรมาฐานุโยกก็ไม่ใช่หนทางที่จะนําไปสู่ความพ้นทุกข์ฉะนั้นตาถามบอกว่าคําสอนของศาสดาหมหาวีระเนี่ยเป็นอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มอัตตกิรมาฐานุโยกเพราะเขาท ร, รมานร่างกายสังเกตดูนะหนึ่งเหตุผลที่เขาทรมานร่างกายเขาบอกว่าเออเป็นการชดใช้กรรมเก่านะครับเขาการกระทำของเขาเนี่ยเป็นการชดใช้กรรมเก่า ถ้าบอกชดใช้กรรมเก่าวเขาจึงต้องมาทรมารร่างกายไงจึงมาอดใช่ไหมจึงมาทรมานร่างกายให้ตนเองฉะนั้นการถ้าถามาว่าการมาทรมานร่างกายให้ตนเองเนี่ยใช่ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความพ้นทุกข์ได้ไหมอยู่กลุ่มไหนมันอยู่กลุ่มโทสะและกลุ่มทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิอ่ะทีนี้กลุ่มโทสะกลุ่มทิฏฐิเนี่ยไม่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานนะไอ้ตัวมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยเป็นตัวสัมมาทิฏฐิคือปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริง แล้วก็สัมมาสังคปะคือความดําริออกจากกามใช่ไหมดําริออกจากพยาบาทให้สังเกตดูนะคําสอนของาศาสดราหมหาวิราเนี่ยเป็นพยาบาทเป็นพยาบาทวิตกคือกลุ่มโทสะเคร่งเครียดแล้วก็ทรมานร่างกายตนเองคือกลุ่มพยาบาทกลุ่มพยาบาทกลุ่มเครียดนั่นเองฉะนั้นขัดหลักมครคขับหลักอาริมครคมีองแปดก็คือขัดสัมมาสังกปะตัวสัมมาสังคปะต้องดําเรี่ออกจากกามนั้นถูกต้อง ถ้าบอกว่าจริงๆแล้วกลุ่มศาสดามหาวเวลานี้ออกจากกาไม่ใช่เป็นนักบวชประเภทหนึ่งแต่เขาไม่ได้ดําริออกจากพยาบาทเข้าใจใช่ไหมครับเขาไปดำดิ่งเข้าหาพยาบาทเขาเบียดเบียนตัวเองอย่างแรงเลยไปทรมานร่างกายตนเองอย่างหนักและในขณะเดียวกันเครียดนะไม่ใช่เขาไม่เครียดที่เขาทําอย่างนั้นน่ยแต่เขาคิดว่าเขาชดใช้กรรมเก่าก็ต้องทนต้องอดกลั้นต้องทรมานถึงเวล า, าสุดท้ายจริงๆเขานั่งแล้วปล่อยให้ตายไปเลยกับการนั่งเนลองคิดดู พอให้ตายไปเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นการเข้าถึงโมกษาของเขาเป็นการหลุดพ้นว่า ง, งั้นถามว่าอยู่หลุดพ้นอะไรนี่คืออบายทุกขติวิธิบาตในโรกนะเนี่ยพราะตายได้โทรสะใช่ไหมที่บอกว่ากิเตะสังกิริเถะใช่ทุกขติปาติกังขาอันนี้จิตเขาเศร้าหมอง เขาตายด้วยความเศร้าหมองก็ตทรมานใครไปว่าเขาไงบอกว่าคุณพทยเจ้าไปถามบอกว่าเมื่อชาติที่แล้วเธอไปทำกรรมอะไรมาจึงต้องมาชดใช้เธอไปทำปนาธิบาตไปฆ่าสัตว์มาลือไม่รู้เรื่องเลยอะโมหกินอีกไปลักทรัพย์เข้ามาใช่ไหมจึงต้องมาชดใช้ไม่รู้ลักที่ไหนตอบไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเป็นเป็นลักที่ชดใช้กรรมเก่า นั้นเมื่อลัตที่ชดใช้กรรมเก่าอย่างนี้จึงไม่เรียกปฏิบัติให้ให้ให้ถึงความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงนะครับฉะนั้นเขาจะมีข้อปฏิบัติแบบอุกรฤษอุกฤษหนักมากายกตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ย เ, เขากินข้าวเนี่ย เ, เขาจะใช้อาศัยกับมือนะใช่ไหมนะล่ะรัที่เนี่ยใช้ใส่กับมือแล้วก็กินเนี่ยหยิบกินเนี่ยถ้าไปเจอมแมลงอะไร นิดหน่อยเขาหยุดกินเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นและอีกอย่างก็ลองคิดดูที่เขาไม่ไม่นุ่งเสื้อผ้า่าเี่ยเขา <Ph quier an> ผมอตอนนั้นเขาเคยสัมภาษณ์กันก็ถามว่าเอพระเรานี่แหละไปถามไปถามว่าเอเนี่ยทำไมคุณปฏิบัติตัวอย่างนี้ mm hmm. ว่างนั้นคุณไม่อายเขาเลยเนี่ยว่าน้นว่าไปแก้ผ้าแล้วก็ไปปล่อยอะไรออกมาเต็มไปหมดเนี่ย เขากลับมองว่าเขาไม่ยึดมั่นถือมัน่นเขาก็ บ, บอกชี้ไปบอกว่าเอา้าเวลาคุณนุ่งจีวรเนี่ยมือคุณโผล่มาก็เป็นอวัยวะใช่ไหมบอกใช่แล้วทําไมคุณไม่อายด้วยแล้วว่างั้นอ่เขาจะตอบเขาง่ายงไงจะตอบยังไงท่า น, านวันนี้ท่านจะตอบไงขาโผล่มาหัวโผล่มาก็คืออวัยวะแล้วมันต่างอะไรกันระหว่างนั้นทีตอบเามาผมก็นั่งฟังแล้วอย่างนี้ไปถามเขาทาไมอย่างนี้นึก ย, ยังไเด้อถามทําไมผมเดือดร้อน <laughs> ผมก็เลยต้องไปแก้ต่างบอกโอ้อย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยทำไม่เดือดร้อนไม่ถามไม่ก็กุ่มือกนี้มันเป็นนักมันเป็นนักปรัชญาใช่ไหมล่ะถามมันมันก็ตอบมันใจตามตามสถานการณ์เขาคิกว่าไอ้ปล่อยปะละเลยนะ่ะเป็นการไม่ยึดมั่นถือมัน่นเขาไปเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกปล่อยปะละเลยไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยว่า ง, งั้นเถอะแต่คนโง่เยอะใช่ไหมล่ะ คนไม่รู้ในแผ่นดินมากว่าเหมือนตอนที่พระสารีบุตรจะออกจากท่านสัญชัยปริพาชคนั่นแหละก็บอกท่านอาจารย์ตอนนี้พระสา ม, มาสามพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกให้เราไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากันเถอะว่า ง, งั้นโอ้โ <c> ห <oughs> oh, สัญชัยในฟังแล้วเจ็บปวดหัวใจรวดเล้ามากนะบอกว่าสัญชัยปริพาชคบอกว่าเราไม่อาจเราไม่อาจจะเป็นลูกศิษย์ทยแล้วก็โดยอัธยาสัยว่า บุคคลเหล่านี้ไม่มีโอกาสจะพบพระพุทธเจ้านะศาสดามาวิราชเป็นต้นเหล่านี้ยทั้งๆที่เดินสวนกันไม่รู้กี่กี่กี่รอบอยู่ใกล้ๆกันก็ไม่เจอกันเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอัจยาสายที่ตั้งไว้จกเป็นศาสดาเองจกไม่ยอมเป็นลูกศิษย์ใครไ อ, อย้ยางเงี้ยน่ากลัวเนี่ยน่ากลัวตรงเนี้ยอัจยาสายที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ยก็บอกแลาท่านไม่ไม่สามารถจะเป็นลูกศิษย์ใครได้แล้วแล้ว อาจารย์ไอ้ทางทางภาษาลิบบทก็บอกว่าท่านอาจารย์ทั้งนั้นท่านอาจารย์จะประสบเองนะว่ังนั้นจะสบประสอบอบายทุกติวิบัตในโลกเองนะเนี่ยวังนั้นแกก็ย้อนถามไงย้อนถามว่าพระษาริบุตรบอกว่าในโลกใบเนี้ยคนโง่กับคนฉลาดในี่ใครมากกว่ากันเนี่ยคนโง่ก็มากกว่าเอา้าแกวังนั้นทั้งนั้นคนฉลาดก็ไปหาพระสัมมาคโคดมส่วนคนโง่ก็มาหาเราลาบสการาก็เยอะจบไม่เล่ไปเจอคนแบบนี้ก็ ไม่ไปเจ อ, องี้ยุ่งใช่ไหมก็เอาลาบสการะเขาไม่กลัวแม้กระทั่งอบายทุกขติวิบารณ์นโกเ ข, เขาเพราะเเบิ่เพนมาเพื่อจะเป็นศาสดาเขาต้องการที่จะเป็นหัวหน้าคนและการสอนผิดเนี่ยเชื่อไหมผมว่าเรากลับประเทศไทยเนี่ยไปสอนผิดเนี่ยผมว่าจะมีลูกศิษย์เป็นคนละเป็นพันๆหมื่นๆง่ายมากเลยถ้าจะสอนผิดให้คนเชื่อเอสสอนถูกให้คนเชื่อเนี่ยยาก เออในยุคนี้ยากมากต้องพูดเหงื่อออกทั้งวันก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อกันเลยครับแต่จะสอนเรื่องผิดๆอย่งง่ายเป็นเรื่องง่ายไดย้เกินว่างั้นเด้อเด้อเป็นเรื่องแปลกมากนั้นสรุปก็คือคนคนโงคนรร่คนมีปัญญาคนมีปัญญามีน้อยขึ้นน้อยขึ้นแต่คนโงมน่มากขึ้นมากขึ้นแต่พูดนี้ท้อไหมท้อไมถ้าเราจะเดินตามคำสอนพระเจา้าเราจะมีบริษัทน้อยลงน้อยลงเอาไหม แต่ถ้าเราจะสอนผิดเราจะมีบริษัทมากขึ้นมากขึ้นแต่วงเล็บว่าตกนรกก็แค่นี้แหละใช่ไหมเราก็แค่นี้เราจะเอาไงก็เอาใช่ไหมเราถ้าไม่กลัวตัวนรกมันรกมันไ ม, ไม่ร้อนแต่เราลงมาห่างั้นถ้าไปคิดอย่างงี้นะโ อ, อ๊คิดอย่างเงี้ตายยุ่งฮะยุ่งก็ลองมือแย่ไฟเล่นดูแล้วก็ไม่ร้อนจริงหรือเปล่ากลัวแยห้ามชักมือหนีนะอันนี้สมควรเก็บเวลาเนะาะเดี๋ยวไว้ภุมินี้ต่อกัน กราบพรบ